สาธิตาปริโอปะัปะนางเอตังพุทธานาสะสนันติ <c oughs> พวกเราตั้งใจฟังพากันประพฤติปฏิบัติให้ใจของเราได้เกิดความรู้ให้ใจของเราได้เกิดที่ว่าศรัทธาความเชื่อมัน่นให้ใจของเรานี่แหละเกิดความสลดโอดโห้ถ้าใจของเรา ถ้าใจของเรามันไม่เกิดความกลัวบาปกลัวกรรมไม่เห็นโทษในวัตตะวณในวัตตะทุกวัตตะวณหรือว่าวัตตะทุกเนี่เป็นการท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มาเวียนไหวตายเกิด อ, อันนี้หละถ้าเราได้รู้ได้เห็นตัวนี้เราจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายส่วนอันดับแรกก็คือให้ พวกเราเนี่ยตั้งสติกำหนดให้พุทธโธอยู่กับจิตของเราพุทธโธพุทธโธอยู่กับใจอยู่นสติของเราจดจ่อให้รักษาพุทธโธไวให้ทีเข้าทีเข้าถ้าดูล ม, มถ้าใครที่ว่านึกพุทธโธไม่ถนัดก็เอาลมหายใจดูลมหายใจเพราะเป็นธรรมชาติหาลมหายใจเข้านี่หายใจออกนี่ แต่ก่อนเราปล่อยไปเฉยๆเราไม่ได้ตั้งสติดูบัดนี้ให้เราตั้งสติเข้ามาดูลมอ่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็ละเอียดเข้าไปมันเป็นที่ว่ามันเข้ามาที่กายของเราการพิจารณาลมเนี่ยเราว่าลมหายใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ใช่มันก็ถ้าไม่มีลมหายใจเนี่ยคนก็ตายสัตว์ก็ตายอันนี้แหละทุกคน ที่มาดูเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ดูลมหายใจเขาออกนั่นแหละได้ตัสรูปเป็นพุทธเจ้าไอ้พวกเราเนี่ยวาสนาบา ร, รมีพวกเราสร้างสมมานมนานแล้วแต่พวกเราก็ยังที่ว่าขาดความเพียรการที่ว่าความเพียรหรือว่าศรัทธาความเชื่อมัน่นตัวนี้มันจะเกิดขึ้นการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาเชื่อมัน่น ถ้ามีลูกฮึดสู้ขึ้นมาว่าอ้าวครูบาอาจารย์ท่านมาจากไหนท่านทำไมถึงทำได้เราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็คดนึงละต้องได้รู้ได้เห็นต้องให้มันขึ้นทำนองนี้อันนี้แหะให้พยายามที่ว่ารักษาพุทธโธให้ได้แล้วก็เี่ว่าอย่าไปคิดว่าการพิจารณากายเนี่ยไม่มีประโยชน์ท่านก็มาดูกายนี่แหละแต่ละท่านละคนที่ท่านบวชเข้ามา าศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระเถาองอก็ที่อยู่กับกายกับใจถ้าน้อมเข้ามาดูกายดูใจของตัวเองใช่ไการพิจารณาการพิจารณ า, ววาเป็นการที่ว่าใส่ปัญญาอบรมสมาธิคือนึกมาสอนตัวเองว่าศพมาดูฝึกดูศพดูหนังเน่าดูศพ ความเปื่อยเน่าความที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วต้องเกะต้องเก็บต้องตายเราก็จะต้องตายเหมือนกับสัตว์เหล่านั้นเหมือนกับคนเหล่านั้นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของพวกเราตายแล้วก็เป็นแบบนี้ตายแล้วก็ต้องเปือ่อยต้องเน่าถ้าไม่เอาไปเผาถ้าไม่เอาไปฝังมันก็จะ <c oughs> ต้องเปือ่อยต้องเน่าแบบนี้เนี่ยให้สอนตัวเองมาแบบนี้การที่เราฝึกหัดเนี่ย ฝึกาการฝึกหัดนี่ฝึกหัดโดยสมมุติเคยสมมุติเคยเห็นญาติพี่น้องเร า, เ, าเวลาเราไปเผาญาติพี่น้องของพวกเรานะก่อนจะไปเผาศพเขาก็ให้ไปลดน้ําศพเนี่ยก็น้อมดูว่ า, าจากตัวคนอื่นให้มาเป็นตัวเราอันนี้คือการว่าการพิจารณาความเปื่อยเน่าของร่างกายของตัวเรานี่เป็นการที่ว่าฝึกปัญญาเป็นปัญญาอบรมสมาธิน่ะ แต่ก็อาศัยที่ว่าการพิจารณาไม่หยุดไม่ย่อนต้องขยันอย่าไปห่วงสิ่งอื่นเราอื่นงานอื่นที่พวกเราสร้างพวกเราทํามาหากินนะ่นนะเราทํามานานแล้วคิดว่าอยากให้มันสมหวังเนี่ยอยากจะร่ํารวยอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนความคิดของเรามันไม่สมประกอบอมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ถูกใจเราสักทีแม้แต่อารมณ์ของเรา ที่มันคิดมันนึกบางทีมันก็คิดไปเร็วๆไปก็มีนะมันก็คิดผิดๆไปก็ยังมีอันนี้หล ะ, ะบางทีนี่อารมณ์ของเราเราอยากะใหกมันอยู่กับความสงบมันก็ไปปรุงไปแต่งไปคิดเรื่องสารพัดอันนี้คืออารมณ์อันนี้หละให้พวกเราเรารู้ว่าความคิดความปรุงถ้าปรุงถูกทางเนี่ยถ้าปรุงมาน้อมเข้ามาที่กายของตัวเราเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญญาอ่า น้อมให้พิจารณาเอาไปจ้าวศรัทธามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยศรัทธามันเกิดขึ้นเวลามันเห็นมันรู้มันเห็นมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยจากจากสมมติดูว่าความเปื่อยเน่าของร่างกายของเราครั้งแรกเนี่ยมันเลือนรางต่อมาเนี่มันแจ้งชัดขึ้นชัดขึ้นจะเดินไปที่ไหนก็ช่างทําอะไรก็ช่างมันเห็นอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นมันรู้แบบนี้มันก็ดีอกดีใจแล้ววะเนี่ยอ่า ไม่อยากจะให้เสียเวลาไม่อยากจะคิดไปเรื่องอื่นคิดสร้างการงานเรื่องอื่นๆน่นและเราคิดมาแล้วอยากเลิมอยากรวยนั่นแต่ว่าบัดนี้เนี่ยเรามาเอาคําสอนของพระเจ้าที่จะเป็นเป็นสมบัติแท้อันที่ว่าะจะให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดความแ ย, ยบแ ย, ยบคายเกิดความที่ว่าเบื่อหน่ายในร่างกายของตัวตนนะถ้าใจของเราเนี่ยยังหึงหวงว่าของเรา ว่าตัวเราขาเราแขนเราตัวเราทรัพสมบัติของเราลูกหลานเราเนี่ยถ้ายังมีอัตราตัวตนมีความยึดติดอยู่ประเภทนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้หวงหวงโลกเป็นคนที่หวงโลกออันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเรามันก็คิดอยู่แบบนี้อันนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นความจะไปแก้ความหลงของเราก็คือมาพิจารณากายการที่พิจารณากายตัวนี้ ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรของตัวเองอย่าไปคิดว่ามันจะทำะนิดๆเ น, น, นอยๆมันจะเป็นเราต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอาศัยความอยากอันดับแรกอาศัยความอยากก่อนความอยากรู้อยากเห็นต้องนึกให้มันทีๆพยายามที่ว่าอยากให้อารมณ์อารมณ์อย่างอื่นเข้ามาพยายามที่ว่ารักษาตัวนี้ไว้ให้มันต่อเนือ่องกันการกาหนดดูที่ว่า ดูออกจากนี่แหล ะ, ะเราไม่เคยเห็ น, นว่ากระดูของเราเราเคยเห็นฟันของเราอยู่เราสองกระจกสองแว่นสองกระจกเราเห็นฟันของเราก็กำหนดฟันแบบนี้ฟันเนี่ยโพรงปากของเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็ดูเข้าไปเลยดูให้มันหมดถ้าเวลาปวดฟันเหงือกมันบวมทำนองนี้ก็กำหนดเข้าไป เวลามันเป็นลมนาฏเป็นอะไรมันเหือกบวมขึ้นมามันก็มีความเหม็นมีความเน่าความเหม็ น, ม เ, นเกิดหนองขึ้นมาความเจ็บความปวดเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นฟันเราเป็นปากเราทำไมถึงมันถึงเน่าทำไมเรารักษาไม่ได้มันเป็นของประเภทนี้อยู่แล้วเรามีหูเราก็หูเหน่ามีตา ก, ก็ตาเน่าเจ็บหูเจ็บปวดฟันปวดหูสารพัด มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่กีรังยั่งยืนให้เราพิจารณาไปแบบนี้บันนี้เพระพิจารณาแบบที่ว่าพิจารณาเข้ามาลู้จมกูกนลู่จมูกของเราเข้ามามาดูเป็นสิ่งสุกปกมีขี้มูกขี้ดังอยู่ในที่นั่นมันไม่เป็นไส้ของสวยของงาม อ, ออกมามีแต่ของปฏิคูลหน้าเกียตรติูหูของพวกเราก็เหมือนกัน ใบหูก็สวยค่าว่าเขาหลงหลงกันแบบนี้เข้าไปในรูหูน่ในมันก็มีขี้หู เ, อเยอะมีกล่องเสียงอะไรอยู่ในในเข้าไปนั่นแหละก็พิจารณาแบบนี้สิ่งทั้งหมดนี่เป็นของปฏิกูลน่าเกียดแต่ถ้าเราจดจ่อดูเนี่ยอันดับแรกจะเรียนลางมันจะเกิดความเรียนลางอยู่ต่อไปนี่จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น ดีใจแล้ว嘛นีถ้ามันเห็นมันชัดแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเราอื่นมันพิจารณาใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ก่อนของเรายังไม่ชัดแบบนี้บัดนี้มันชัดขึ้นแล้วมันจะเกิดทำนองนี้อันนี้แหละญาติโยมพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีแต่ถ้าใครไปหลงสมาธิเนี่ยเอาความสงบท่าเดียวพอนั่งเข้าไปแล้วนี่พุโทโธพุโทโธเข้าไปแล้วน่ จิตมันม้อยม้อยๆอเข้าไปมันหลับในนะวันนี้พอมันหลับในเป็นโมหะสมาธินะันนี้ตัวนั้นน่ะมันไม่เป็นปัญญาถ้ามันสงบลงไปมันเกิดความรู้ความเหมนขึ้นมามันก็ไม่ชัดมันมันไม่ชัดหลวงเพราะว่ามันเป็นหลงมันเป็นโมหะสมาธิอจิตสงบประเภทนั้นแต่เราใช้วิธีว่าเพ่งกายเนี่ยในท้องในตัวเราเนี่ยหนังหุ้มอยู่เนี่ย เป็นสิ่งสุขโปะทั้งหมดมันไหลออกมาจากมาจากทวารที่ไหนก็ช่างกินคืนไม่ได้รับประทานกลับเข้าปากอีกไม่ได้เนี่ยเป็นของหลงเกียรติแบบนี้อันนี้แหละท่านให้ดูที่นี่แต่ถ้าเราเอาไปตามความอยากของตัวเองเนี่ยมันก็จะต้องการอยากสิ่งนั่นสิ่งนี้มีแต่สิ่งที่มันดีๆความคิดความที่ว่าอารมณ์ของเรามันต้องการ ความอยากสวยอยากงามอยากกินของอเรีดอร่อยแบบนั้นมันไม่อยากจะดูสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรามาดูตัวนี้นี่มันเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฝืนใจของเราหลวงพ่อังว่าอย่าไปอย่าไปตามใจของตัวเองใจของเราเนี่ยมันชอบลักสวยรักงามรักอร่อยรักสะดวกสบายอยากนอนห้องแอร์อยากอยู่ดีๆอยากต้องการสิ่งดีๆทั้งหมดน่นละ มันอยากเป็นแบบนั้นแต่ถ้าวิธีเดินการเดินปัญญาให้จิตของเราเคล็ดลาบในวัฏฏวนวัฏทุกนี่เราต้องมาเพ่งที่กายของตัวเรารักษาสติไว้ให้ดีถ้าใครนึกพุทโธก็อย่าให้มันเผลอให้พุทโธเนี่ยรวมลงไปเรื่อยอพยายามรักษาไปเรื่อยจนพุทโธเนี่ยเป็นอันเดียวกับใจถ้าพุทโธเป็นอันเดียวกับใจแล้วเนี่ย มันจะดีใจขึ้นมาอีกตัวนั้นน่ะอ่าโอ้โ ห, โหแต่ก่อนเนี่ยเราพยายามรักษาพุทธโธของเรามันก็หายไปบ่อยๆแต่บัด น, นี้พุทธโธมันเป็นอันเดียวกับใจแล้วอมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ในที่สุดพุทธโธก็หายอีกไหนมันจะเป็นแบบนี้การภาวนาถ้าเรามีความอยากถ้าเรามีความอยากรูก้อยากเห็นอยู่นั่นน่ะตั้งใจไว้ว่าอยากโอ้เมื่ อ, อไหร่มันจะเป็นสักทีเมื่ อ, อไหร่มันจะเป็นจะเกิดขึ้นถ้าคนต้องการแบบนี้ไม่เกิด ในขณะใดนนะ่ะเราไม่ยึดนั่นแหละเราปล่อยนั่นแหละจิตของเรามันจึงจะวางอ่าถ้าเรายังจิตจิตใจของเราเนี่ยมันยังยึดติดว่ามันยังมีความมันอยู่ในลึกๆน่แหละมันว่าขาเราปวดอ่าโอ้ขาเราจะหักกระดูกของเราจะแตกมันว่าอย่างนี้อันนี้คือความยึดอ่ามันขึ้นอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละอ่าตาบใดเรายังไม่วางมันเนี่ยมันจะเก็บแค่ไหนก็สั่าง อ้าวอันนี้มันเป็นธาตุดินบอกมันแบบนี้ต้องสอนตัวเองแบบนี้อันนี้มันเป็นธาตุดินเราจะหงหวงขนาดไหนก็ช่างในที่สุดมันก็ต้องหักต้องเพยต้องแตกต้องสลายอ่าเราหักเราหักขาโกบขาเขียดมานี่ไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วอ่าเขาเจ็บขนาดไหนเราเขาปวดขนาดไหนเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันยังไม่หักถึงขนาดนั้นอ้าวเป็นอะไรก็ช่างมันเราจะอดเนี่ย ถ้าเราที่ว่ามีความอดทนอ่าแต่ต้องอาศัยว่าศรัทธาขันติสตินะอ่าแล้วก็วิริยะความเพียรอันนี้แหละถ้ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของไม่เหลือวิสัยอ่าอีกสักเล็กสักน้อยเนี่ยอย่าอย่าไปคิดว่าอ่าเออหยุดก่อนเธอเน่อย่าไปตามใจถ้าหยุดก่อนเธอพักพรก่อนเธอเนี่ก็นอนมาว่ามันเห็นหมอนแล้วมันเห็นที่นอนแล้วเนย ถ้าเรานั่งภาวนาอยู่กับบ้านของเรานะ่ะส่วนมากก็นั่งอยู่กับที่นอนมันก็เรีว่าเนียวคอลงหมอนเลยเนี่ยมันหมอนสรนารนังคัตสามิมันเห็นความหลับความนอนน่ะมันตามใจตัวเองถ้าตามใจตัวเองเนี่ยไม่มีวันจะได้รูปเราต้องฝืนอย่าไปเชื่อใจของเรานะแต่รักษาใจของเราแต่ไม่ให้เชื่อใจของเรานัา่หละ อาศัยกายเนี่ยกายนี่เป็นมูลมรดกของพ่อของแม่เราได้กายนี่มาจากพ่อจากแม่แต่เวลานั้นเนี่ยให้ทําลายตัวนี้ทําลายมูลมรดกของพ่อของแม่เนี่ยคิดไม่เอาสักอย่างปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเปื่อยเน่าในที่สุดผุพังลงเป็นดินปฏิเสธทํานองนี้ถ้าเรายังมาคิดว่าตัวเราตัวเราเป็นแบบนี้แบบนี้เราต้องการอาหาร หอเลี้ยงกินน้ า, น, านั่นน้ํานี้สารพัดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไปคิดยังมีอัตราตัวตนเวลามันเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยบอกขาเราจะหักขาเราจะเป็นแบบนั่นแบบนี้เดี๋ยวมันเป็นโรคเอามาพื้นหนะ้าเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะหน้าเนี่ยถ้ายังห่วงอยู่แบบนี้เนี่ยมีความอะไรกับร่างกายของตัวตนเนี่ยอันนี้ไม่มันไม่ปล่อยอวิธีปล่อยวางเนี่ยอา้าวกำหนดว่าที่ไหนมันปวดก็สั่งอา้าว ่เอาความปวดแค่นี้มันยังไม่ถึงเวลาคนคนเขาจะตายมันปวดกว่านี้อีกเอาแบบนี้เลยนะเอาต้องต้องเอาแบบนั้นสู้กับมัน ว, วิธีสู้คนที่เขาตายปวดกว่านี้เราปวดอยู่เดียวนี้เนี่ยยังไม่ได้เสี่ยวนารกบอกมันแบบนี้วิธีฝืนไปฝืนไปเรื่อยๆอใจของเรานี่มันชอบมากง่ายมันมันระบารักตัวกลัวตาย ใจของเรามันเป็นแบบนี้อันนี้แหละต้องว่าอย่ามยึดติดอย่ามาหลงอยามยาหลงว่าไอ้รูปร่างกายของเราเนี่ยเราจะรักษาขนาดไหนก็ช่างมันก็แก่ไปของมันแต่ธนุธนองไว้เลี้ยงมันดีแขนาดไหนก็ช่างมันก็เนรคุณต่อเราเนี่ยมันไม่ฟังความเราเหมือนกับที่ว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เวลามันขึ้นมาอันดับแรกๆเนี่ยแสงมันยังไม่สาดมาถึงเราเนี่ย เราก็มองได้สบายสวยพระอาทิตย์แดงขึ้นมาอันดับแรกๆเนี่ยแสงมันยังไม่ส่องหน้าเราแต่มันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆมันเที่ยงขึ้นมามันสายขึ้นมาเนี่ยมันไม่มันไม่ดีแล้วบะเนี่ยมันมันต่างกับช่วงมันที่ขึ้นมาตอนแรกมันก็ไหลไปไหลไปในที่สุดก็ตกดินลงอีกตกดินแล้วก็มืดอีกเป็นอยู่แบบนี้ ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันบางทีก็ดีอกดีใจบางทีก็อารมณ์ที่มันที่ว่าเกิดความสุนเฉียวเดือดร้อนไม่พอใจถึงว่าความคิดของตัวเองก็ไม่ถูกยังไม่ถูกคนอื่นพูดมันก็ผิดใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตำนรงนี้อันนี้ท่านจึงว่าให้รักษาอารมณ์รักษาอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจที่เดียวนี่แหละอะ ธรรมะก็เกิดขึ้นจากใจของเราเหมือนกันไม่ได้เกิดจากที่อื่นขอให้ว่าให้พิจารณาที่ว่าถ้าใครสละตายเนี่ยเราจะได้รู้เท่ารู้เท่าความคิดความนึกของเราแต่ก่อนเนี่ยเราตามเราอยากเหมือนกับวิ่งตามวิ่งตามหลังมันไปเรื่อยๆอไม่มีเวลาจะได้เจอแต่หยุดบ่เนี่ยพอเราหยุดคิดเนี่ยมันทันดบเนี่ยถ้าเราหยุดคิด ถ้าเราตามอยากลู้อยากเห็นมันเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะทันสักทีถ้าเราหยุดแล้วนี่อ่าก็เลยได้ลู่ถ้าเราหยุดอันนี้การรักษาอารมณ์ที่ว่ารักษาอารมณ์ของตัวเองต้องหยุดคิดหยุดนึกแต่ก่อนอาศัยความคิดความนึกก่อนอาศัยความอยากก่อนในที่สุดมันเหนื่อยแล้วมันคิดดูร่างกายเนี่ยเห็นความเปื่อยเน่าเห็นสภาพว่า อยู่ในตัวของเราเนี่เป็นสิ่งสุขโปกสิ่งปฏิกูลทั้งหมดแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นเรามาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วมันเหนื่อยแล้ ว, ม, ลวมาดูลมหายใจเข้าออกวันลมหายใจเข้าละเอียดเขา้าละเอียดเข้าในที่สุดขาดปัดไปเลยถ้าใจของเรามันปล่อยวางมันเหมือนกับวา่างานนี้เป็นงานหนักที่สุดของเราหนักที่สุดเหนื่อยที่สุดเหมือนกับเราแปลก แบกอะไรหนักๆเต็มบามาแน่แหละอ่าช่วงเวลาเราอ่ในจุดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าของสิ่งเหล่านั้นน่ะเราหวงหวงมันมาอนานแล้วเราจะเอาไปให้ถึงที่วะน่ะเราเหมือนกับอ่าทำนอง น, นี้แต่ในที่สุดเนี่ยเราก็บนว่าตัวเองหนักนวงอยู่นั่นแหละมันเหนืดนื่อยที่สุดนั่นแหละบัด น, นี้เราวางเราเราปล่อยลงถ้าเราเอาออกจากบาเราได้ ความความเบามันเกิดขึ้นอยู่ที่นี่อันนี้เหมือนกันใจของเรามันยึดติดเรายึดว่าตัวเราเนี่ยที่ถ้าเรายึดว่าตัวเราของเราเนี่ยตัวเราของเราทรัพสมบัติเราบ้านเรารถเราเนี่ยเราคิดแบบนี้มันก็หนักอยู่ในที่นี่แหละความทุกข์นะความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่ที่นี่ถ้าใจของเราเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่เอาอะไรไปไม่ได้เงินทองกองสมบัติบ้านเรือน อะไรก็ช่างที่ดินที่ดอนอะไรก็ช่างล่ะมันเอาไปไม่ได้หมดสิทธิ์หมดอำนาจเขาเอาเอาออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเขาสละออกไปนั่นมันเป็นแบบนี้อันนี้ละ่ะของจริงเป็นแบบนี้ให้เราพิจารณาเห็นสภาพตามความเป็นจริงไอ้ร่างกายตัวตนของเรานี่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆอมันนี่ว่าถ้าผ่านไปเยอะแล้วก็เราก็ แก่หมดกาลังวางซาไปนะแต่กรจะวิ่งก็ได้ไม่วินไม่เวียนแต่ทุกวันเนี่ยจะลุกก็โอยจะนั่งก็ ค, อคอ่อยๆลงอ่ามันก็แก่สลาคําค่าไปเรื่อยๆมันไม่ เ, เหมือนือนไม่ เ, เหมือนแต่กร อ, อันนี้แหละโลกเป็นอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าโลกมันจะยั่งยืนเป็นสิ่งไม่กีรังยั่งยืนโลกคือหมูสารอันสราต้อนไปต้อนไปอยู่ท่านจึงว่า ความสราคําค่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กต่อมาเราก็โตขึ้นมาในที่สุดก็ว่าได้แต่งงานแต่งการแล้วก็ได้ลูกได้หลานมาเรื่อยๆในที่สุดยูยูเนี่ยเขาก็มาเรียกปูเรียกตาเนี่ยน่ะมันโอ้เราแก่แล้วเหลือเนี่ยอ่ะแล้วมันก็ไหวไปเรื่อยๆนี่ยแะอันนี้ก็เหมือนกับตะวันตะวันมันขึ้นไปแล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตกอ่าตะวันรับขอฟ้าแล้ว ในก็ชีวิตของเราก็อยู่ทำนองนี้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเวลาก่อนจะตายแต่และภพละชาติเนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ยเป็นสัตว์ก็ทุกเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกทุกเวลามันจะตายนี่แหละให้เราอสอนตัวเองแบบนี้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์คนบางคนก็คิดว่าความเกิดไม่เป็นทุกข์นะแต่ที่จริงนะมันเป็นทุกข์ ทุกทั้งผู้ให้เกิดแม่ก็ทุกลูกก็ทุกผู้เป็นลูกก็ทุกสลบสไลดยออกมานะ่ะเวลาออกมาแล้วเนี่ยเกิดออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยมันยังไม่ร้องให้หรอกมันยังไม่รู้ตัวคือมันสลบโยนั่นทะเป็นแบบนั้นแม่ก็สลบไปอีกเหมือนกันนั่นแหล ะ, ะกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยกว่าจะพูดได้เนี่ยก็พอสมควรสลบสไลดยไปเหมือนกันอันนี้หละเสียงเป็นเสียงตาย ที่ว่างานเกิดการเกิดก็เป็นทุกข์เวลาโตขึ้นมาอีกน้อยมันก็เป็นทุกข์ร้องให้กระจ อ, งองเงอเสารพัฒที่มันเด็กแสดงอาการขึ้นมามันเป็นทุกข์ของมันพอมันโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยมันก็มีความยึดติดอีกร้องให้แอกแอกอยู่นั่นพ่อแม่เอาโทรศัพท์กดรีโมทให้มันดูล้วมันก็หยุดหยุดร้อง ทุกวันนี้พ่อแม่สอนลูกแบบนี้อันนี้ะสอนให้ทียว่าให้เด็กเสียเสงตาแล้วก็ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองมันอยู่มันอยู่ข้างนอกมันไปดูไปดูอยู่ข้างนอกอันนี้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้อันนีเด็กมันมีความทุกข์ถ้าเอาสิ่งที่มันถูกใจมันไปให้มันแล้วมันก็ดีอกดีใจอันนี้พวกเราก็ตามใจของเราอยู่เรื่อยๆถ้าใครตามใจของตัวเองไปเรื่อยๆนี่ จะเป็นคนเล่ล่อนเวียนว่า้ตายเกิดเป็นวัตทุกวัตวุลอยู่ในโลกอันนี้มันไม่จบสักทีโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนนะเนยไอ้โลกนี่นะพวกเราคิดว่าบ้านเราอ่าบ้านเรานาเราทุ่งอ่าบ้านหลังนี้เป็นของเรารถคันนี้เป็นของเราเนี่ยมันก็ว่าของเราของเราอย่างนั้นแหละเวลาตายแล้วนี่เอาไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นแบบนั้นอีกสักวันหนึ่งแม่แต่ไม่มีเงินกอง มีเงินมีทองอยู่ในตัวของเราเนี่ยอีกวันหนึ่งมันหมดไปก่อนเราก็ได้นะมันก็ไม่แน่สิ่งเหล่านี้อ่ามันเป็นสิ่งที่ว่าไม่กีหลังยั่งยืนมันอยู่กับเราแล้วก็เปลี่ยนไปหาคนอื่นมันไหลไปเรื่อยเือยไอ้สิ่งเหล่านี้เคยค้าขายร่ำรวยมาแต่ก่อนอ่า แ, แต่พอถึงในช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็หมดไปก็มีนั่ น, นแหละคนเป็นมหาเศรษฐีก็จนได้เหมือนกันอ่า คนจนๆเปลี่ยนเป็นคนร่ำรวยก็มีอันนี้แหละมันไม่แน่นอนอโลกมันวุ่นวายอยู่แบบนี้อันนี้แหละเราก็จะว่าถ้าเราไม่สอนใจของตัวเราเนี่ยให้ใจของเราได้รู้ว่ากฎแห่งกรรมที่ว่าเวลาเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีดีใจแล้วก็มันก็ต้องมีเสียใจมีความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายมันก็เปลี่ยนไปํามน้องนี้อันนี้แหละ มันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเกลี่ต้องเก็บต้องตายเวลาคนทำชั่วเวลาทำชั่วแล้วตายแล้วนี่ยไปรับทุกข์ทรมานเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกไปทำนอง น, นี่เกิดเป็นเปรตเป็นผีเหล่านี้อันนี้แหละถ้าคนได้ทำความดีไว้แล้วจิตใจก็ดีเ อ, อิบอีมีความเ อ, อิบอิมีปีติกับผลทานผลที่ว่าเราได้ทำความดีได้สงเคราะห์คนได้ทำงานทำการอะไรดีๆแบบนี้ ไม่มีความโกรธในขณะที่เก็บไข้ได้ป่วยอยู่นั่นน่ะอ่าก็ไม่มีที่ว่าละลึกถึงแต่บุญกุศลที่ตัวเองได้สร้างไว้แล้วอารมณ์โกรธไม่มีคิดเห็นแต่บุญกุศลเราเคยสร้างนั่นไว้สร้างนี่ไว้เนี่ยคนนั่นเวลาหมดชีวิตลงไปจุดติไปเทวโลกเนี่ยมันก็ต่างกันแบบนี้อ่าก็มาจากใจของเรานี่ยแหละบางคนที่ว่าทําบุญกุศลไว้เยอะๆเนี่ยทำบุญกุศลไว้เยอะๆ ก็มีตัวอย่างยกขึ้นมาให้ทือว่าเเดียวอย่างพระเจ้าธรรมโศกราชพระเจ้าธรรมโศกราชเนี่สร้างเจดีแต่ก่อนก็เป็นคนโหดร้ายในช่วงแรกของท่านฆ่าญาติพี่น้องของตัวเองเจ้าชายทั้งหลายในกรุงในเมืองนั่นฆ่าเป็นร้อยกว่าองค์จึงได้ครองราชสมบัติฆ่าญาติพี่น้องทิ้งหมดเป็นร้อยเป็น11ออ็ดองแบบนี้ บันนี้ก็เหลือแต่น้องทายคนเดียว เ, เหลือไว้น้องทายตัวเองคนเดียวแค่นั้นพระเจ้าธรรมศกราชแล้วก็ได้คลองราชสมบัติออกไปลบยกทัพไปตีเอาเมืองนั่นไปเมืองนี่ไปเรื่อยๆในขณะนั้นในช่วงสมัยพระเจ้าธรรมศกราชเนี่ยเอาเรียกว่าประเทศอินเดียเนี่ยกว้างขวางออกไปยืดไปแถบแถ บ, แ ถ, บแถวอินเดียนะ่ะยึดได้หมดพระเจ้าธรรมศกราชเป็นนักลบที่ ที่ว่าเก่งกาดในสมัยนั้นเขาลบได้แล้วได้ใสยชนะไปแต่ธรรมะมันก็เกิดขึ้นกับพระองค์ก็มีด้วยที่ว่าบา ร, รมีมันก็เกิดอนิสง์เกิดขึ้นมาที่ว่าเวลาท่านยกทัพไปลบเมืองกาลิงคาไปลบกับเมืองกาลิงคะเนี่ทหารฝ่ายของอพระเจ้าธรรมโศกราชนี่ตายไปเป็นแสนกลุ่มเมืองกาลิงคะก็ตายเป็น ฝ่ายรับเป็นลัแสนเลยนะเต็มทุ่งนาอยู่เต็มสนามรบเต็มทุ่งนานะมีแต่ศพคนเต็มเกื่อนกาดไปพระองค์ก็คิดขึ้นได้ว่าถึงเจสนะก็ช่างลูกลูกหลานเขาจะเป็นลูกกัมพานี่ไม่รู้ว่ากี่ไม่รู้ว่ากี่แสนลูกเขาจะเป็นลูกกัมพาเพราะเราภรรยาเขาจะเป็นไม้เพราะเรานี่เป็นจำนวนแสน นพระองค์คิดแบบนี้ก็เลยสังเกิดความสลดใจเกิดความที่ว่าใจหดหูเป็นทุกข์ถึงจศนะก็สั่งก็ยังมีความทุกข์อยู่ใจนั่นมันเป็นแบบนี้ถ้าเห็นความตายของคนเยอะๆเนี่ยโอ้ลูกเขาต้องเป็นแบบนั่นลูกเขาก็ต้องเป็นแบบนี่ภรรยาเขาต้องเป็นแบบนั่นแบบนี้เขาทุกโศกเพราะเราเกณฑ์มาลบเนี่ยพระองค์คิดแบบนี้ แหมคนที่ตายเยอะๆนี่เพราะเราวิญญาณพวกเหล่านี้แต่ก่อนเขาก็เป็นญาติพี่น้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่ของอมันก็คิ ด, ด ว, ว่าในประเทศของตัวเองทงหารใกล้ๆของตัวเองอแต่ก่อนก็รับประทานอาหารก็นั่งดูกันมาเรื่อยๆนะนะั่นอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีนะนะั่นก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสงสารกันนั่นแหละเวลาเขาตายจากไป พระ อ, องค์ก็คิดถึงพวกเรานี่อาก็คิดว่าลูกเขาจะทุกข์ภรรยาเขาก็จะทุกข์คิดมาแบบนี้พระ อ, องค์ก็มีความซึมเศร้าในขณะนั้นก็ในช่วงที่ว่าท่านมาอยู่ตรงนั้นหลานของท่านเป็นลูกเป็นญาติของทายาทของท่านแอบเป็นลูกพี่ชายน้องชายของท่านนั่นถูกท่านฆ่าพ่อเขานะ่ะแต่แม่เขานะ่ะอามีท้องอยู่นั่นนะลบ หลบหนีจากเมืองป้าตาลีบุตรในเมืองปาตาลีบุตรเนี่ยหลบหนีไปจากเมืองนั้นหลบหนีไปออกไปซ่อนอยู่เมืองอื่นไปคลอดบุตรอยู่เมืองอื่นบันนี้ได้ลูกเป็นผู้ชายในที่สุดอไอ้ลูกเนี่ยก็ออกบวชเป็นสามเณรได้เป็นพระลัหันก็ถามแม่ว่าพ่อของเราอยู่ที่ไหนพ่อของเราอยู่ที่ไหนพ่อของเราตายแล้ว แต่พระราซาเนี่ะเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นลุงของเราพระราซาธรรมโศกราชนี่คือลุงของเราสามเณรตัวตัวเล็กๆแต่ก็ท่านก็รู้นะว่ารู้ว่ า, าในขณะนี้เนี่ยพระอรหันต์ท่านท่านรู้แบบนั้นพระอรหันต์ก็ต่างต่างระดับนะที่ท่านมีอภิญญามีความรู้นะท่าน มีอวิญญาณนะท่านก็จะมีความรู้แต่รู้ว่าถ้าพระเจ้าธรรมโสกราชเนี่ยเกิดความสังเวชในใจของตัวเองว่าตัวเองฆ่าญาติพี่น้องของตัวเองเยอะแยะและประชาชนก็ตายไปเยอะแยะไปฆ่าเมืองนั่นฆ่าเมืองนี่ไม่รู้ว่ากี่เมืองมาแล้วตายกันเกื่อนแผ่นดินเนี่ยพระองค์คิดแบบนี้แล้วก็เป็นทุกข์บาเนี่ยเวลานอนหลับไปก็ฝันร้ายเวลา จิตใจมันแปลมแบบนั้นพว ก, กจิตวิญญาณพวกเขาจองเวรน่ะเขาก็มาเข้าฝันแบบนี้เขามาจองเวร เ, เกิดนอนผวาเกิดนอนไม่หลับ เ, เป็นอยู่แบบนี้สามเณนรน่ะหลานทายนั่นสามเณรหลานทายนั่นรู้แล้วว่ า, าลุงของตัวเองเนี่ยพระเจ้าอยู่หัว เ, เป็นลุงเนี่ย เ, เ, เป็นแบบนี้แล้วาสามเณรก็เดินผ่าน เบือนเดินผ่านไปแถวล่ ว, วังนั่นแหล ะ, ะเดินไปแถวแถวหน้าวังนั่นพระเจ้าธรรมศกุลาชมองเห็นสามเณรแล้วก็เกิดความที่ว่าเกิดศรัทธาเกิดความเลี่ยมใสในสามเณรดูอาการของท่านเดินไปแล้วก็เห็นผิวพรรณของท่านฟ่องใสแล้วก็เรียกทหารเนี่ยอา้าไปนิมนต์สามเณรขึ้นมาหาเราหน่อยนะ ทหารผู้ทหารองค์คาะ์ก็ไปนิมนต์สามเณรขึ้นมามาพบกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าธรรมสกราชจักถามท่านเป็นบวชเป็นสมณะมานี่กี่ปีแล้วแม่อยู่ที่ไหนแม่ชื่อว่าอะไรพ่อชื่อว่าอะไรถามไปก็เป็นหลานของตัวเองอคนที่พ่อเขาน่ะ เราเนี่ยเป็นคนตัดตัดคอเขาเราเป็นคนฆ่าพ่อเขาแต่ว่าลูกเนี่ยเป็นมาเป็นสามาเณรท่านก็เกิดความได้ว่าสลดสังเวชสามาเณรนั้นก็ให้ธรรมะพระเจ้าธรรมโสกราชเกิดความสลดหดหู่ขึ้นมาใจเขานี่ที่ว่ามองเห็นแต่บาปใจเป็นทุกข์มองเห็นแต่บา ป, า ป, แ, ตบาปแต่กรรมแล้วก็ถามหาว่าอใครเป็นอาจารย์ของท่านอาใครเป็นอาจารย์ของท่าน ใ น, ในสมัยนั้นในสมัยนั้นน่ะพระโมคคันรีบุตรในช่วงพศ200 2พศ270ในช่วงนั้นพระเจ้าธรรมศกราชพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้ว270ปีในช่วงพระเจ้าธรรมศกราชเกิดขึ้นมาคลองราชสมบัติเนี่ยเหตุการณ์ตัวนี้ก็เลยว่ามันก็ยังคิดถึงว่าเออทายาทของเราตายเพราะเราบ่านี่หลานของเราก็ยังเป็นสามเณรเ น, นี่ย พ่อเขาก็เราเนี่เราเป็นคนตัดค อ, อท่านก็มีความคิดแบบนี้ก็ไปเอาสามเณรเทศให้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อมากแล้วแล้วก็ถามหาอาจารย์าสามเณรก็แนะนำให้ไปนิมนต์พระโม ค, คัลีบุตรมาเข้ามาเข้าวางังพระโมคขลีบุตรก็มาปรึกษามาให้ความแนะนำให้พระองค์นี่ พระองค์นี่สารพับว่าตัวเองทําบาปทํากรรมไว้เยอะแยะจะทําอย่างไรข้าพระผู้ฆ่าพระองค์นี่จึงจะหมดบาปหมดเวรชิดไปทํานองนี้ก็ถามพระโมคกขลีบูตรก็แนะนําว่าให้มหาบาพิษนี่สร้างสถูปสร้างสถูปสร้างเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าที่ประสูติตสรูปปรินิ พ, พานที่ท่านไปจําบรรษาที่ท่านไปแสดงธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่าง พระโมกขันริบุตรเนี่ยเป็นคนไปแนะนําว่าตรงนี้เป็นที่ประสูตรตรงนี้เป็นที่ตัสรูปริพญานะพระโมคขันริบุตรเนี่ยไปบอกอในช่วง200ปีเนี่ยคนก็จําเรียนจําลางไปเรื่อยๆมันก็จําไม่แม่นแต่พระอราหารันท่ารั้วพระโมคคันริบุตรเป็นพระเถระเป็นพระอราหันต์ที่ท่านรู้ท่านก็ไปชี้บอกอตรงนี้มาสร้างเจดียร แล้วพระเจ้าธรรมโศกราชก็เป็นผู้มีวาสนาบรารมีที่ว่าอำนาจเนี่ยอำนาจกึกก้องอพอประชาชนทั้งหลายเนี่ยเห็นพระองค์มองที่ว่าเห็นพระองค์เนี่ยเข้าวัดไปฟังธรรมฟังเทศเข้าไปหาพวกพระมกขันรีบุตรมีการทำบุญให้ทานแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็ดีอกดีใจบันนิดคนทั้งหลายเนี่ยก็ยินดีกับพระองค์ในการที่ว่า จัดบำรุงพระพุทธศาสนาพระเจ้าธรรมสกุราชก็พาสร้างเจดีสร้างสถูปสร้างทั้งหมดนั่นน่ะหมดไป 84%, ดหมพองค์เนี่ยพระเจ้าธรรมศกราชไม่รู้ว่ารับในพระขังเนี่ยเกือบจะหมดไปแล้วเนี่ยในช่วงนั้นในพระขังเนี่ยไม่มีที่ว่าเงินเดือนจะให้พวกทาหารพวกเจ้านายพวกนักศึกษาทั้งหมดเนี่ย จะไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วเพราะท่านขนทรัพย์ทั้งหมดนในคังนั้นมาสร้างสถูปสร้างเจดีย์บูชาพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นในสมัยนั้นแต่ก็ยังดีประชาชนเขาก็ที่ว่าทำช่วยไปเรื่อยๆจนว่าแต่ก่อนที่ว่าจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เสร็จก็มีพญามารมามากั้นนะมามากีดขวางไม่ให้ทำความดี อ่าเท่าพวกพญามารเนี่ยอยู่ในชั้นโน้นสั้นปะเลนิมิสวตตีโนนอ่าพ อ, อเทพพญามารเนี่ยมองเท่าสกาเทวราชนี่ท่าสกาเทวราชนี่ลบเลยลหละไ อ, ะอะ้พวกหรอนี่มันมันคนละคนละชั้นกันเขาก็เป็นผู้มีอำนาจกลัวพระอินเนี่พยพญามารที่ว่าเนี่ยพญามารตัวนี้นี่ มันมาเข้าสิงโยมไม่ให้ใสบ่บาตรบรนดาลแบแบที่ว่าเขาเขา้ขาเขา้ขาสิงคนไม่ให้คนทํำความดีทําสารพัด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าพยามารตัวนี้มันอิจฉาพระเพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระสนอยู่นั่นนะมันอิจฉาพระพุทธเจ้าสารพัดมันเข้าสิงคนไม่ให้พระพุทธเจ้าไม่ให้พระพุทธเจ้าได้อาหารได้สเสวยอาหาร มันทําสารพัดมันทํากรรมเยอะแย ะ, ะมาเหมือนกันแต่พอพระเจ้าพระเจ้าธรรมโสกราชจะสร้างเจดีย์เนี่ยมันก็คิดว่าเออเราเนี่ยได้เป็นเทพอยู่แบบนี้ก็เพราะเราถ้าไอ้พระเจ้าธรรมโสกราชเนี่ยทำสิ่งจะมาบูชาพระเจ้านี่จะสร้างบุญกุศลแบบนี้เดี๋ยวเขามียศกว่าเราสูงกว่าเราเราก็จะทุกข์ใจอีกเราก็จะเป็นทุกข์อีก คิดแบบนี้แหะก็เลยมากั้นกลางเวลาจะขนหินขนทรายขนสัมภาระจะมาก่อสร้างเนี่ยพระยามานี่ก็ทําให้ฝนตกแรงๆมาพัดเอาวัดสดุก่อสร้างเนี่ยไหลลงแม่น้ําคงคาไปเลยนะไหลลงแม่น้ำนะทารองนี้จะสร้างอยู่ที่ไหนก็สร้างจะทําให้น้ําเนี่ยไหลหลากมาพัดเอาสิ่งของอ่าบัด น, นี้พระโมคคัลลีบุตรก็เลย มาปรึกษากับท่านรู้ว่าพระยามาม า, มาทำแบบนี้ทำให้ฝนตกพัดเอาวัดสดุไหลไปหมดเนี่ยพระโมคขลีบุตรก็แนะนำว่าเอองานของมหาบพิษนี่มันทำยากลำบากแบบนีเออ้เราก็ต้อง เ, ออเป็นหาคนที่มาป้องกันออท่านในขณะนั้นก็พระโมกขลีบุตรนะก็นึกถึงว่าเอ อ, เ อ, อพระอุปคุตเนี่ย บวชเข้ามาแล้วไม่เอาธุระการงานกับหมู่คณะไม่รับผิดชอบในฝ่ายสงฆ์ฝ่ายอะไรบวชเข้ามาแล้วเป็นพระลัหารแล้วนี่ไปอยู่เมืองบาดาลกับพญานาะคนั่นก็เลยให้พระสงฆ์องค์ที่เป็นพระลัหารที่ลงไปในสะดือทะเลได้ลงไปในแม่นาม้าลงไปเมืองบาดาลถึงพญานาะคไปนิมนต์อุปคุตมาป้องกันพญามาร น, นั่นแหละ จนว่าพระอุปคุตได้จับจับพญามารมัดไว้แล้วก็อธิฐานให้เป็นหนังหมาเน่าเอาไว้ที่คอแขนคอไว้เทพเทวดาพวกยักษ์พวกคนทันอะไรต่างๆเนี่ยเขาผ่านมาเขามาดูเขาผ่านมา เ, ามาเาา น, มานี่ยมาเห็นพญามารองนีเนี่ยถูกพร ะ, พระอุปคุตทรมานเนี่ยเขาก็ยิ้มยิ้มเย้ยทำนองเนี้ย เขาก็โอ้โหพวกเรานี่มันกลัวเราจะตายแต่วันนี้เราถูกมัดแล้วนี่มันมาเย้ยเราเกิดความละอายแล้วบันเกิดความละอายในที่สุดเขาก็กลับใจได้นีเขาก็ปาถ น, นาเป็นพทธเจ้าองค์หนึ่งอ่าต่อไปข้างหน้าไม่รู้ว่าอีกกี่ล้านปีแหะเขาจึงจะได้เป็นอ่าเป็นพันล้านปีน่นแหละไม่รู้ว่าจะกี่พันล้านปีนั่นะจึงจะได้เป็นพญามารเนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมาจะมาเกิดเอาเกิดเอาเหมือนกับพระสงฆ์เหมือนกับพวกเราพวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่รู้ว่ากี่เที่ยวพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปเป็นพุทธันดอนผื้นดินนี่สูงขึ้นไปเป็นโยอพระพุทธเจ้าจึงจะมาเกิดหนึ่งองค์แบบนี้นะอยอหนึ่งสี่รเส้นแผ่นดินนี่หนาขึ้นไปเป็นโยนอดเขาเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งพุทธันดร แล้วก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปอีกทํานองนี้อันนี้มันนานเหลือเกินให้พวกเราคิดว่าเดียวนี้ศาสนาธรรมของพระสมณะโคโดมศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมนี่เพิ่งจะผ่านมาท่านปรินิพานมาแล้วเนี่ยสองนะ่ยหกปีนี้นะ่ยก็ลังยังเหลืออีกอยู่เนี่ยนะอ่าก็ยังเหลืออยู่อีกเนี่ยส0 0พน่ยสองพกว่าปีอยู่นะ่ย ให้พวกเราเล่งเอาอย่าไปคิดว่ามันไม่มีไอ้พวกเรานี่ให้คิดเอาอันนี้แหละกรรมเวรอาี่เราทำมาสิ่งใดที่พวกเราทำมานี่มันก็ต้องได้รับผลแม้แต่พระเจ้าก็ได้รับผลว่าผลกรรมพญามารก็ยังมาจองล่างจองผานอยู่แบบนี้ในที่สุดพญามารทีว่าจะจริงการขนก็ช่างอยู่ในสวรรค์ที่ว่ า, าพญามารจ มองพระอินเนี่ยพระอินหลบเลยอ่าหลบหนีไปไกลๆเลยนั่นถึงขนาดนั่นแต่ก็สู้พระอุปคุธไม่ได้พระอุปคุธเนี่ยเป็นผู้มีที่ว่ามียานมีความรู้จับพยามานมัดไว้บัด น, นี้พระเจ้าธรรมโสกราชก็พาประเทศชาตินี่พาประชาชนทั้งหลายนี่สร้างเจดีสำเร็จสร้างสำเร็จแล้วสลองนัน งานสลองในสลองอยู่7ปีเจเดือนเจวันนะสลองสมโพธิอยู่นั่นในขณะนั้นนะักประชาชนทั้งเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาดูมาห่อรศการแสดงการแสดงในในขณะนั้นนะมีทั้งพวกเทพมาแสดงให้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะคนนะพวกเทพเขาก็มาเล่นให้ดูมาเล่นให้มนุษย์ดูเหมือนกันในขณะนั้นเพราะมันเป็นบุญใหญ่ แสดงอยู่เกีเกตเดือนประเทศอินเดียนเขาสมโพธเจดี 84% 0หมืนพองค์บันนี้พญามานพอพญามานอ่ามันคิดกลับใจแค่นั่นแหละพระอุปคุตก็รู้ว่าพญามานกลับใจแล้วพระอุปคุตก็เลยไปปล่อยพญามานอ่าก็เลยพญามานก็มามาหาที่ว่าพระโมกคันลีบุตรอ่ามาหาพระโมคันลีบุตรมาสารภาพว่าตัวเองเนี่ย มีความคิดผิดๆมานานแล้วบัด น, นี้กับผมนี่หรือว่าข้าน้อยนี่ อ, อยากปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีความเชื่อในศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระโมคคัลลิบุตรก็เลยถามพญามานว่าเออพยามานท่านเกิดมานานแล้วอายุของท่านอ่ะมันหลายล้านปีอายุของพญามา น, นี่หลายล้านปีเลยนะเป็นหลายพันล้านปีเลยพญามา น, นี่อายุของเขานะ ท่านเป็นผู้มีอายุนานพระพุทธเจ้ามาจุติลงมาในมนุษย์โลกท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าเกิดท่านก็เห็นเวลาท่านตรัสรู้ท่านก็เห็นและท่านเห็นพระโมกัลาสารีบุตรพระอุปอ พ, รอรพระอะไรอะไรพระอรุ์เป็นรูปร่างอย่างไรพระศิวลีเป็นรูปร่างอย่างไรท่านจำแรงให้พวกเราเได้ได้ดูได้ชมได้ไหม ได้ั่นแต่ท่านพระคุณเจ้าอย่ากาบกับผมน ะ, ะพระโมคคัลยบุตรก็บอกว่าเราไม่กาบหรอกอไปแปลงให้เราดูหน่อยเราเกิดมาภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพานไปเป็น200กว่าปีแล้วเราไม่เคยเห็นอ้าวถ้าพระคุณเจ้าไม่กาบผมผมก็จะไปะปฏิบัติแสดงให้พวกท่านเห็น พระยามาลหายแวบออกจากที่นั่งเฝ้าพร ะ, ะโมกคันลีบุตรแล้วก็ออกไปปรากฏขึ้นโน้นริมป่าเดินเป็นหน้ามาเลยพระพุทธองค์เดินมาบริสัทธ์บริวานแวดลอ้อมพระโมกนลาสาลีบุตรพระอ น, นุนแปลงเป็นหลายๆเป็นจำนวนพันมาเลยถ้าพิสุสงในในคั้งพุทธกาลพระยามาลคนเดียวยแปลงมาเลย พระพุทธเจ้าเป็นลักษณะนี้พยามารแปลงร่างเป็นให้เป็นหมดแล้วก็แปลงเป็นเล่หลายองค์นั่นเป็นบริษัทบริวารมานั่นพอเดินมาใกล้ๆเนี่ยพระโมกขลีบุตรพาพระสงฆ์กราบเลยกราบกราบแล้วเนี่พระโมกขาลาก็เปลี่ยนมาได้ปะเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาอีกผมบอกแล้วว่าอย่ามากาบผมผมไม่ไม่ไม่ไมไมใช่ ผมจะเป็นบาปเป็นกรรมเขาก็กลัวเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมอา้าวพระโมคคัลลีบุตรก็บอกว่าเราไม่ได้กราบเธอเรากราพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกแบบนี้อันนี้แหละสมัยก่อนคนยุคนั้นสมัยนั้นที่งานสมโพธเจดีแปดหมื0พันองค์ที่พระเจ้าธรรมโสกราชเนี่ยสร้างเนี่ยเขาก็ยังเห็นพระพุทธเจ้าได้กาพระพุทธเจ้าเห็นพระโมคคัลลาสารีบุตรพระราทภะ อาโนนพระกัสจปะอะไรต่างๆนี่เห็นหมดนะคนในยุคนั้นเวลาพญามารสู้กับพระเนี่ยพญามารสู้กับผู้นั้นอันนี้เนนเวลาท่านสู้กันเนี่ยเขาก็เห็นประชาชนเห็นนะเวลาพญามารเนี่ยแปลงร่างเป็นกัวมามาโซนคันเพราะพญามารเนี่ยแปลงเป็น ทําทให้ฝนตกทําให้ฝนตกน้ําไหลว่าพระอุปคุดแปลงร่างแปลงแปลงเป็นเป็นคันกั้นอีกแปลงเป็นคันกั้นพยามารเปลี่ยนเป็นโคเป็นวัวตัวใหญ่มาชนคันคูยอีกอพระอุปคุดเปลี่ยนเป็นเสียไปกัดโคอีกเปลี่ยนกันอยู่แบบนี้ในที่สุดประชาชนเนี่ยดูสนุกไปเลยระหว่างพระอุปคุดกับพยามารสู้กันก่อนที่ว่าจะ จะจับพยามารมามัดได้เขาเขาเห็นแบบนี้เห็นเหตุการณ์แบบนั้นด้วยในช่วงก่อนจะสร้างเจดีอ่าไม่รู้ว่สร้างอยู่กี่ปีนะสร้างอยู่หลายปีพอสมควรนะก่อนจะหมดไปอ่าจนจะเสร็จเนี่ยแต่สลองเนี่ยเปี7เดือนนั่นแหละงานสลองนี่ก็เลยได้กลาวพระเจ้าด้วยอ่านั้นแหะคนยุคพศสองอยเจเนี่ยได้กล่าวพระเจ้าในช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะ อ่าอันนี้แหละที่ว่าสิ่งที่คนเนี่ยเกิดปีติพอเห็นสาวกของพระเจ้าเห็นพระโมกขกัลลาสารีบุตรพระอนนท์พระกัจจปะพระศรีวลีแบบเนี่ยอ่าท่านมีอ่าที่ว่าเห็นรูปร่างของพระเจ้าเห็นลัศมีของพระเจ้าเนี่ยปาถนาเป็นพระเจ้านี่ไม่น้อยในช่วงนั้นอ่ะอันนี้แหละคนศรัทธาเกิดถึงขนาดนั้นอ่ะพระพระเจ้าธรรมสโสกราชเนี่ย เกิดปีติที่ว่าในในช่วงสลองเจดีเนี่ยเอาสำลีมาซุปน้ํามันเอาสำลีซุปน้ํามันแล้วก็เอาให้พวกทหารพวกองคลักษ์เนี่ยมามาพันตัวมาพันตัวแล้วก็เอาผ้าผ้ า, ผาทับไว้ผ้าพันทับไว้ทับไว้เอาสำลีมาเปาะเขาอีกซับน้ํามันแล้วก็จุดจุดไฟลุกขึ้น สูงเจ็ดชั่วคนสูงเ็ดชั่วคนลุกขึ้นตัวพระเจ้าธรรมโสกราชถึงนี่นะคนที่มีปีตินี่มันไม่ร้อนมีแต่เย็นไฟลุกสว่างโล่โลโ ล, โลอยู่นั่นนะเป็นการที่ว่าบูซาพุทธเจ้านั่นเหตุการณ์เกิดในครั้งที่สลองเจดี8ป่สีพันองค์พระเจ้าธรรมโสกราชเนี่ยลงตัดสินใจที่ว่า เอาเอาไฟจุดเอาตัวเองเนี่ยเป็นทูบเทียนบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นอันนี้พวกเราไม่ได้เกิดอันในช่วงนั้นแต่ถ้าเราทําประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยพวกเราก็จะได้กราบพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะหลวงพ่อได้กราบแล้วนะหลวงพ่อก็ได้กราบเหมือนกันพระพุทธเจ้านะจึงว่าเวลาได้กราบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดปีติเกิดปีติท่วมทน้นมันเกิดปีติใว่า ดีอกดีใจโอ้โหโอ้โหพระพุทธเจ้าแต่ท่านปรินิพานมาแล้วตั้ง2 000, อง0องาร้อยปีมาแล้ว2522ปีมาแล้วเนี่ยวันนี้เรายังท่านยังมาเสด็จมาให้เรากราบมันลองมันดีอกดีใจอย่างนั้นหลวงพ่อได้กาบพระพุทธเจ้าวันที่5มิถุนาพศยี่สิบได้กาบพระพุทธเจ้าเกิดปีตียูเกวันของหลวงพ่ออันนี้แหละปีตีเนี่ย มันไม่กลัวอะไรเหมือนกับภูเขาเนี่ยขนาดภูผาเหล็กภูพานภูอะไรเนี่ยเหมือนกับเอามื อ, อผักเนี่ยพังไปเลยกําลังใจในขณะนั้นมันเป็นแบบนั้นเลยแม้จะมีสร้างมีเสือเข้ามานี่จะเข้าไปจับมันเลยไม่กลัวตายในขณะนั้นเวลามันเกิดปีตินะมันไม่กลัวตายเหมือนกับกําลังเราเยอะแยะ แต่ที่จริงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่กําลังใจไม่กลัวตายอันนั้นมันถึงแบบนี้อันนี้แหะพระเจ้าธรรมโศดการาชเกิดปีติก็เกิดแล้วที่ว่าเกิดปีติก่ว่าจุดไฟบูชาพระเจ้านะจุดน้ํามันลุกอยู่ที่ตัว พ, ะพระองค์นั่นน ะ, ะกลัวไฟจะดับเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยไม่เหลือกระดูกก็จะเป็นผุยเป็นอะไรแหะจะเป็นผงไปเลยนั่นแหะถ้าเป็นพวกเราอันนั้นพระองค์ไม่เป็นอะไรมีแต่เย็น เสื้อเพลิงเสื้อน้ำมันหมดแล้วน่ะเขาใช้น้ํามันงาน้ํามันอะไรน่ะจุดสมัยก่อนน่ะน้ำมันที่เขาคงใช้น้ํามันงาน้ํามันประเภทนี้แหละที่มันหอมๆนั่นแหละคงไม่ใช่น้ํามันก๊าดหรอกต้องเป็นน้ํามันพืชน้ํามันถั่วน้ำมันประเภทนี้แหละที่มันจุดไฟได้เนามาซุปเข้าพระองค์แล้วก็จุดไฟพระองค์ไม่เป็นไร มีแต่เย็นสบายเกิดปีติโยงอย่างนั้นถึงขนาดนั้นเวลาท่านเจ่เวลาพระองค์แจตัวมาแจตัวมาในที่สุดก็ขนทรัพย์สมบัติไปทำบุญไปเรื่อยไปเรื่อยในที่สุดลูกชายคลองราชสมบัติครองราดสมบัติแทนพ่อเจอะสลาแล้วเจอะสลาแล้วไม่สามารถจะไปว่าระสการได้ก็ยกให้ลูกชายคองราชสมบัติ ลูกเข็นทรัพย์สมบัติอยู่ในท้องพระคลังนี่มันจะหมดแล้วเงินเดือนค่าราชการทั้งหมดนั่นนะต้องได้จ่ายมาเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้ถ้าเงินเดือนเมือนก็จะเหลือห้าพันแบบนี้ต้องลดแบบนั้นเพราะมันจะหมดเงินพระราชบิดาเนี่ยขนไปทำบุญทาทานหมดเพราะพระพระเจ้าธรรมสกราชเวลาเกิดศรัทธานะันก็เกิดถึงขนาดนั้นแต่ว่า ในช่วงท่านจะาลนิท่านจะสวรรคตเนี่ย อ, อยากต้องการเอาเงินไปทำบุญไอ้ลูกชายนี่ห้ามห้ามไม่ให้ไปทำบอกอพวกรักษาคลังเงินเนี่ยไม่ให้เอาให้ไม่พระราสทานให้คนที่ว่าพระบิดาเนี่ยก็โกรธมีความโกรธความโกรธแล้วก็เป็นทุกข์เกิดความทุกข์อยู่ในใจในที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนในขณะนั้น ตายตายในช่วงช่วงเกิดเป็นความทุกข์เนี่ยไปเป็นงูนะแทนที่พระองค์เนี่ยทำเจดีขนาดนั้นเสาหินอ่ะอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยไม่รู้ว่าที่เขาค้นยังไม่พบนี่ไม่รู้ว่ากี่เสาแหะอ่าไม่รู้ว่ากี่เสาเสาหินเสาอโศกเนี่ยอ่าอันนี้มันก็เห็นไม่กี่เสาเดี๋ยวนี้เจดีสถูปเนี่ยก็ยังไม่เห็นถึง8ปดหมื่นแล้วนะเดียเ๋ยวนี้ยังจะยื้เหลืออยู่เยอะแยะอยะูย่นะ เกดีสถูปต่างๆเสาหลักหินน่มันจต้องเยอะอยู่นอันนี้ะพวกเรามนุษย์สมัยนี้ก็ยังพ้นยังไม่เจอมากอันนี้ะถึงสร้างขนาดนี้แล้วก็ปีติท่วมท้นในขณะบูชาพระพุทธเจ้านั่นขนาดนั้นแหละเมื่อเวลาเวลาจะตายเนี่ยเวลาจิตเศร้าหมองอทุกขติเป็นอันหวังได้นะมันเป็นแบบนั้นพระองค์ประชวน เพราะความคับแค้นใจในที่สุดก็สิ้นพระสนะไปเกิดเป็นงูใหญ่กินปลาอยู่ในลําห้วยบนอยู่ในลําห้วยอยู่ในแม่น้ําพระโมกขลีไม่ใช่พระมหินธิราชลูกชายพระมหินทิราชาาเป็นลูกชายนะออกบวชลูกชายของพระเจ้าธรรมโศกุลารนางอมิตานางอมิตาเทรีนี่เป็นลูกสาว ของพระเจ้าธรรมโศดกราชนางอมิตาเทลีนี่ก็เป็นพระรหารเหมือนกันเอากิ่งโพจากต้นเดิมจากต้นอยู่ที่พุทธคยาต้นแรกเอากิ่งโพเนี่ยไปไปปลูกที่ศรีรังกาทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่กิ่งเดิมนะแต่มันต้นไม่สมบูรณ์แต่ประเทศศรีรังกาเขารักษาเขาเอาทหารรักษาสองเป็นสองด่านนะไม่ใช่เอาตำรวจเอาทหารเลย เป็นกองพลกองพันธ์รักษาไว้เลยเขารักษาเขารักต้นโพนั่นรักที่สุดเพราะมันมีอายุเป็นสองพันกว่าปีมาแล้วต้นโพกิ่งโพตัวนั้นพระนพระนางอมิตาน้องสาวของพระมหินทิราดพระมหินเนี่ยเป็นพระละหันเหมือนกันพระมหินที่พระมหินนี่ก็ทิจารณาดูว่าพ่อของตัวเองที่สวรรค์ละคดไปแล้วไปอยู่ที่ไหนนะ ท่านก็ดูอ่ะเออพ่อของเราเนี่ยสวรรค์ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีไปอยู่ที่ไหนกําหนดไปกําหนดไปก็ไปเห็นพ่ออยู่ในลําแม่น้ําก็เลยแ <c oughs> อบพอไม่เห็นที่ลาดก็ไปปรากฏให้พ่อเห็นงูตัวนั้นพอจําพอเห็นลูกชายน่ยลูกชายมหาพพิษทําบุญกุศลไว้เยอะแยะแล้วทําไมมาเป็นงูกินปลาอยู่แบบนี้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แบบนี้ งูตัวนั้นเกิดความละอายว่าตัวเองทําบุญกุศลว่าเยอะแย ะ, ะตัวเองกอ็เกิดความสลดเกิดความหน่ายในภพซาตของตัวเองที่มาเกิดเป็นงูกินปลาอยู่ในแม่น้ําก็เลยเอาหัวเวียงใส่ก้อนหินก็เลยตายตายแล้วไปจุดติในเทวโลกนั่นแต่ก็จะไปเกิดเกิดในสั้นจาตุมน ะ, ะไปเกิดในสั้นจาตุม น, นะในสั้นจาตุมเนี่อายุไม่นาน ในสวรรค์สัญนจาตุ่มอายุไม่นานก็จะสิ้นจุติลงมาเกิดโลกมนุษย์เนี่ยพระเจ้าพระเจ้าธรรมโสกราศปัจจุบันนี้ท่านคงเป็นพระละหัน์ไปแล้วสิ้นหมดหมดทุกหมดโศกไปแล้วอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้แหละให้พวกเราที่ว่าการทําความดีเราจะทําไว้เยอะๆก็ช่างแต่ถ้าเรามีใจเป็นทุกข์ในขณะที่จะสิ้นใจเนี่ย มันก็ยังตกนรกได้มันก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อันนี้แหละให้คิดเอาแต่ถ้าเราทําให้ใจของเราเนี่ยให้ใจของเรามันเกิดความผ่องแผ่วก่อนเนี่ยคำสอนของพระเจ้าสัพปปาปะสะาการะนังความไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลสู้ปะซัมปะดาความให้กุศลถึงพร้อมสกิตะปริโยรัปปะนังความให้จิตของตนผ่องแผ่วให้จิตของของตัวเองเนี่ยใสยสะอาดเนี่ยอันตัวนี้แหละ การที่พวกเรามานั่งภาวนาก็ทว่าอยากให้ทำสํำละจิตใจที่มันหมองมนที่จิตใจของเรามันไม่รู้ทำเห็นทำเนี่ยจะทำอย่างไรจิตของเรามันจึงจะสงบจะจะออกจากความวุ่นวายความคิดความนึกที่มันวุ่นวายมันยึดติดโลกอยู่เนี่ยให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นที่ว่ามันอยู่สวานสบายไม่ได้ยึดติดอ่ไ ม, ไม่ไม่ไม่มีความยึดติดเนี่ยอันนี้แหละไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งสาคัญ เราจะทำบุญทำทานมาก็หวังเพื่ออยากต้องการอยากรู้ทำเห็นทมถ้าเราไม่รักษาอารมณ์ตัวนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รู้ได้เห็นแต่ถ้าคนน่บางคนเขาก็เป็นคนยากจนเข็นใจไม่มีข้าวกินมีอะไรจะกินเป็นคนถือกะลาขอทานพระอนุนเอามาบวชพระสารีบุตรเอามาบวชเนี่ยมีมีเหมือนกันพวกเรานี่ในที่สุดท่านก็ สำเร็จเป็นพระหลหันได้เหมือนกันเนี่ยจากคนยากจนเข็นใหญ่ก็สามารถบรรลุทำได้เหมือนกันแต่ต้องรักษาใจของเราต้องมีความคิดความนึกไอ้ปัญญาที่เราฝึกหัดเราเรียนความจำได้หมายรู้ที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราจบเรียนจบนั่นจบนี่มาจากศาสตร์นั่นจากศาสตร์นี่ไปจบประเทศนั่นประเทศนี่มาเนี่ยไอ้ความรู้ทั้งหมดเนี่เอาพักไว้ก่อนเอาพักไว้ก่อน เอาเอามาดูลมหายใจตัวนี้สิ่งที่ความจำได้หมายรู้ต่างๆเนี่ยเอาเราเราเอาทิ้งหมดเราเอาปัจจุบันเนี่ยเอาตัวนี้การภาวนาจะให้มันเกิดมันไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาความรู้ความนึกคิดน่ะมันเป็นสัญญาไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันทำให้จิตของเราที่ว่ามันคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนีคนนนนงนน้คนนั้นเป็นแ บ, บ่นั้นคนนันเป็นแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาค้นเจอ สิ่งต่างๆมาเขาก็ยกยอกันไว้เรื่อยๆก็ไปนึกถึงว่าคนนั้นก็เกง่งคนนี้ก็เกง่งมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้แหละมันไม่เก่งเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าอ่พอพระพุทธเจ้าเนี่ก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็เคยมาเหมือนกันเคยเกิดเป็นปุโรหิตหรือว่าเกิดเป็นพระราสามหากษัตริย์เกิดเป็นลือศีสารพัดที่ว่าบวชเคยออกบวชบำเพ็ญความดีสร้างความดีเนี่ยหลายล้านเที่ยว ก่อนที่ว่าสร้างบา ร, รมีอยู่นั่นนะ่ะมันผ่านมาหลายอสงไขยหลายพันล้านปีถ้าคิดจะเป็นปีแบบพวกเราเนี่ยหลายพันล้านปีสร้างบา ร, รมีมาก่อนที่จะได้มาเป็นพุทธเจ้าอันนี้อให้เราคิดแบบนี้อันนี้อพวกเราก็เกิดขึ้นมาได้มาเจอสิ่งเหล่านี้ที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดอ่าเราก็ว่าทุกข์บ้างอ่าเจริญบ้างเสื่อมบ้างมันไม่สม่ำเสมอ บางชาติเกิดขึ้นมาร่ำรวย เ, เกิดเป็นคนสวยคนงามาบางชาติมาก็เป็นคนที่เล เ, เป็นยักษ์เป็นสารพัดนะเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสัตว์นรกสัตว์เด ร, รัจฉานที่เราเวียนไหวตายเกิดสูงสู ง, สงต่ําๆอยู่แบบนี้ให้พวกเราคิดเอาว่าเออที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นหลายล้านเที่ยวมาแล้วที่เรามาเวียนไหวตายเกิดบัดนี้เรามีโอกาส ศาสนา ร, รมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านวางศาสนาไว้ 5,000 ปีก็เหลืออีกอยู่เนี่ยองัามร้อ 2, 300, กว่าปีอยู่แล้วมันเหลืออยูย่ที่มันเหลืออยู่เนี่ยให้เราเล่งทําความภาคความเพียรให้ตัวเองเนี่ยให้ได้รู้ให้ใจของเรามันผ่องแผ้วเนี่ยถ้าใจของเรามันเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อไหร่อ่านมันว่าจึงจะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์นะ่ะมันจจะเกิดแบบนี้ ไอ้ตัวนี้มันไม่เกิดง่ายๆหรอกถ้าคนยังม า, งาที่ว่ารักตัวกลัวตายอย่เนีเราต้องสลัดสลัดออกเลยอย่าแม่งหวังว่าตัวเราเราหวังจะไปกินข้าวจะไปกินน้ำจะไปกินกาแฟกินกว๋วยเตี๋ยวไปกินนั่นเจียวนีจ่จะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่มันมีแต่ความอยากไว้เรื่อยๆถ้าเราปล่อยปล่อยใจของเราไปตามความอยากนี่ไม่มีโอกาสเราต้องตัดไปเลยบอกว่าปัจจุบัน ให้มันเป็นปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมที่ว่าถ้าศรัทธาของเรามันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราพยายามที่ว่านึกพุทธโธให้ทีๆเข้าทีๆเข้าเนี่ยเวลาศรัทธามันมากนี่ตัดไปเลยนะของหลวงพ่อมันตัดไปเลยเอา้าวนั่งคข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายคำว่ลุกของเราไม่มีถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัจรรมคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยให้มันตายไปเลยถ้าไม่ได้รู้ทำเห็นธรรมที่นี่คือที่ตายของเรา เราหยุดกินข้าวกินน้ำน่ะมันขึ้นแบบนี้เลยอันนี้แหละมันเป็นคนที่ว่าในขณะนั้นเหมือนกับที่ว่าไม่รักตัวเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นมูลมรดกของพ่อของแม่ท่านบอกว่าให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าประชาชนในแว่นแค้นของตัวเองกิเลสตันหาที่มันความยึด ต, ติดอยู่ในกายในใจของเราเนี่ย ท่านบอกว่ามันหึงหวงมันหึงหวงประชาชนมันหึงหวงข้าว ข, ของเงินทองอยู่ในในตัวของเราถ้าใจของเรายังยังรักตัวอยู่นี่มันไม่เห็นธรรมแต่เวลาเรามาดูที่ว่าเพ่งกายของเราเนี่ให้มันเป็นปัจจุบันนี่เอาลงเป็นศพศพเปื่อยเน่าเบื่อย เ, เ, เน่าแล้วไหลลงไปเป็นดินนี่ผุพังลงไปเป็นดินดูแบบนี้ดูให้มันไปเรืยย่อยๆเอาจนจิตของเราเนี่ย มันสำนานเข้าสำนานเข้าในที่สุดพอมันมันสำนานแล้วกำหนดดูกายเนี่ยกำหนดแบบดูเน่าตายตายแล้วขึ้นอืดหนังสีเลอะๆขึ้นมาน้ำเหลืองไหลออกเลือดในตัวของเราเนี่ยมันเปื่อยเน่าตับไตไส้ปอดเปื่อยเน่ามันก็ดันออกมามันไม่มีลมหายใจมันก็ร่างกายของเราเย็นแล้วมันก็ขึ้นอืด ในที่สุดน้ำหนองแหละไหลออกมาตับปอดไส้ลําไส้ของพวกเรามันเปื่อยมันก็มแมลงวันมาเจาะกินนอนกินในที่สุดศพของเราเลอะลงไปเป็นดินเปื่อยเน่าไหลลงเป็นดินผูกกระดูกทั้งบน่ะเปื่อยเน่าผูกพังลงเป็นดินอาจกําหนดทํานองนี้ถ้าเราเห็นตัวนี้ชัดแล้ววั น, นพุดขึ้นมาเลยวั น, นมันจะพุดขึ้นมาเลย โอ้โหบัต <NE> แต่ก่อนเราไม่เคยรูปแบบนี้บัตรนี้เราได้รูปแล้วไ ด, ได้เห็นแล้วโอ้โหโอ้โหเลยบัตรถ้ามันเกิดความรู้ความเห็นมันโอ้โหเลยนะอแต่ก่อนเราไม่เคยรูปบัตรนี่พระพุทธเจ้าท่านตัดสั้รูปแบบนี้พระอริยสงฆ์ท่านหลายท่านได้รูปทำเห็น <Trustee> ทำท่านได้รูปแบบนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้มันดีอกดีใจนั่นมันจะดีใจลําก็เห็นคุณของพ่อของแม่เห็นคุณของแม่อันดับแรก เห็นคุณของแม่แล้วก็เห็นคุณของพ่อเห็นคุณหลวงปู่บุญจันทร์อ่าเห็นคุณหลวงตาบัวหลวงตาปู่อ่อนไปทาอะไรหลวงปู่ขาวแบบนี้มันเห็นคุณครูของครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สามสี่องค์5องค์เนี่ยเราไม่มีโอกาสจะได้รู้ได้เห็นแบบนี้มันเห็นคุณท่านลึกซึ้งมันเกิดความทราบซึ่งแบบนี้มันก็ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู่ในโลกนี่ไม่รู้ว่ากี่องค์มาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหน มันมันมันเกิดความโกรธให้ตัวเองอ่าตัวหนึ่งพุทธขึ้นมาอีกเออดีแล้วละเกิดขึ้นมาชาตินี้ยังไม่แก่อายุเพิ่งจะยี่ปีเราก็พอได้รู้ได้เห็นมันก็ขึ้นมาทำน้อนี้อันนี้ลหละความรู้มันไม่ใช่ว่าเราจะทำไปนี่ไม่มีไม่มีโอกาสจะได้เกิดความรู้ความเห็นทำไปวันไหนมันก็เหนื่อยอ่ามันก็เหนื่อยกันทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าเราสละตายแล้วนี่มันสนุก หลวงพ่อว่ามันสนุกแต่ก่อนเนี่ยศรัทธามันยังไม่เกิดเรานั่งภาวนาไปก็เอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแค่นั่นและดูลมหายใจก็จิตเคิบเคลมไปก็เหนื่อยปวดขาปวดนั่นแล้วก็ห ย, ยุดก่อนเถอะเราพักพรก่อนเดี๋ยวมันตื่นสายตื่นก่อนจึงทำไมถ้าเราเอาตามตัวเองตามใจเราคิดแบบนี้ถูกกิเลสนอกเอานอเอาไปเรื่อย เ, อยเหมือนกับถูกกิเลสนอกถ้าเราเปลี่ยนอริยบท หลวงพ่อมันไม่ยอมในขณะที่ศรัท ธ, ธามันมันเกิดขึ้นมาแล้วนะ่นที่นี่คือที่ตายของเราเราไม่ขยับตัวนั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายเราไม่ขยับตัวอะจะเป็นอะไรก็สร้างอันนี้มันขึ้นแบบนี้อันนี้แหละให้ฝืนให้ดูทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันโหมขึ้นโหมขึ้นยมันแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยอา้าวคนที่เขาตายเนี่ยเขาเก็บกว่านี้เขาปวดกว่านี้ของหลวงพ่อมันเอาขึ้นมาแบบนี้นะอ่า ศพที่ขึ้นกองไฟแล้วไฟลุกเปลวไฟลุกลามขึ้นน่ะไม่เห็นศพไหนมันวิ่งหนีจากไฟเอาเดี๋ยวนี้ยังไม่รอนถึงขนาดนั้นเรานั่งภาวนายังไม่มีเปลวไฟยังไม่มีทานไฟเอาขึ้นแบบนี้อันนี้วิธีสู้สู้แบบนี้อย่าไปคิดเอาแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าวัยถ้าว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่มีโอกาสหลวงพราะว่าหมดสิทธิ์นะหลวงพ่อนี่มันบอกว่าให้ตายเลย ถ้าไม่รู้ไม่เห็นนี่ที่นี่คือที่ตายของเราศรัทธามันมากศรัทธามันเกิดก่อนนะศรัทธาเกิดก่อนถ้าหลวงปู่ไม่ให้ศรัทธาหลวงปู่บุญจันทร์ให้ศรัทธานะก่อนที่มันจะได้เกิดความรู้ความเห็นก็ต้องอาศัยศรัทธาหลวงตาสมหมายเป็นผู้บังคับเหมือนกับท่านรักษาท่านเลี้ยงควายเรื่องวัวเลื่องควาย ถ้ามาตัวไหนมันจะไปกินข้าวเอาค้อนล่ำมันเอาแส่เอ า, เอาไม่เรียวตีมันอ่าถ้ามันจะออกจากทางไปตีไว้ตีไว้เหมือนกับแบบนั้นหลวงตารักษาคุ้มครองหลวงพ่อในพศยี่สิบีเอียดนี่ยถูกหลวงตาสมหมายดุด่ด า, ว า, าว่ากล่าวสารพัดในที่สุดเนี่ยแรงที่ว่าเราค่อยทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็ฝึกดูหนังเนา่า ฝึกดูกระดูของตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยท่านจึงว่าอินทรีมันแจ้กล้าถ้าอินทรีของเรามันแจ้กล้านี่สมควรที่มันจะพอจะได้ลูกได้เห็นหลวงปู่บุญจันทร์ก็สอนนะก็สอนหลวงพ่ อ, อไปบิณฑบาตไปคิดเอาสาวนักเรียนไปคิดเอาสาวนักเรียนแล้วก็วางแผนครอบครัวมาเดินมากลัวจะถึงวัดเนี่ยได้ลูกสองคนเช่าเดียวนะไปบิณฑบาตเช่าเดียวเนี่ย คิดเอาลูกสาวเขาอยู่ในบ้านชัยวานเดินกลับมาถึงวัดเนี่ยได้ลูกสองคนฐานะครอบครัวก็จเจริญพอสมควรเป็นเศรษฐีย่อยๆขึ้นมาแล้วนะแต่หลวงปู่วุญจันทร์รู้หมดที่หลวงพ่อคิดเ น, นึ่นั่นพอมาถึงวัดแล้วแก้ทะโลกบาดเสร็จแล้วก็มากราบพระประธานก็นั่งลงหลวงปู่ก็พูดให้หลวงพ่อบวชไปบิณทบาตเอาลูกเอาเมีเเเยด้เลย มันตกใจมันทั้งกลัวทั้งอายนั่นแหละฟูบลงทีเดียวดูหนังเน่าได้เลยเหมือนกับไม่มีกีวรเป็นศพเละไปหมดทั้งตัวนั่นลองๆเขาอ่านเป็นแบบนี้ไอ้เริ่มแต่ก็ฝึกหัดก่อนก็กำหนดดูหนังเน่าไว้ก่อนแต่วันท่านเวลาถือหลวงปู่พูดให้เนี่ยมันก็เลยเป็นเห็นอสุภะจริงๆเลย ม, มันเห็นแบบนั้นนไปถึงถ้ากองเพลเนี่ย พอไปถึงถ้ำกองเพลนี่เป็นกระดูกได้เลยนะไปคิดว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระละหันเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังนะคิดคิดนะักไม่ได้พูดความคิดเฉยๆเนี่ยหลวงปู่ขาวเป็นพระละหันเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังคิดแค่นี้หลวงปู่ขาวมองมานี่เหมือนกับแฟดฟืบมาใส่ทีเดียวผ้ากีวรกับหนังไม่มีเหลือแต่กระดูกนั่นของหลวงพ่อเป็นแบบนี้ อันนี้แหละศรัทธามันจึงเกิดศรัทธามันเกิดแรงอ่าตายเป็นตายจะ ก, กี่วันก็ช่างเราไม่ยอมกินข้าวในที่สุดก็ไม่ยอมกินน้ำไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในที่สุดก็สละตายอาศัยความอยากอาศัยศรัทธาถ้าศรัทธาน้อยนี่ผ่านไม่ได้ต้องอาศัยความอดทน ขันติความอดทนเป็นอันดับหนึ่งหลวงพ่อว่าถ้าเราอดทนแล้วเนี่ยทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมาเราก็เทียบที่ว่าเราฆ่าสัตสว์ตัดชีวิตเราหักขากบขาเขียดค่าปูค่าปลามาไม่รู้ว่ากี่ตัวนับเป็นแสนแสนตัวไปทำนองนี้เขาจะเอาคืนเราจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าอีกกับเนี่ยตัวละห้าร้อามันจะเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ตก น, นโลกหมกไหมไปกี ล้านปีคิดออกมาทำนองนี้อันนี้แหละพวกเราคิดสอนตัวเองแบบนั้นอย่าคิดว่าสิ่งเรานี่เนี่ยการประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเป็นของไม่มีคงหมดเขตหมดสมัยแล้วมรรคผลนิพพานคงไม่มีอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าใครไปคิดแบบนั้น่ะโอ๊ยหยุดก่อนเถอะเอาทำบูชาไปเฉยเขารบบูชาตามทํานองของท ำ, ทำตามประเพณีไป คนเท่าคนแก่พานับถือก็อนับถือตามเขาเขาไปเรื่อยๆเขาพาไหว้เขาพาเลี้ยงผีเลี้ยงปู่ตาเลี้ยงตาแห่ก็ไปทํากับเขาทำนอง น, นี้อันนี้คือศรัทธาไม่จริงถ้าศรัทธากจริงแล้วเนี่ยเอาเลยอย่าไปคิดว่ามันไม่มีเป็นของที่มีอยู่เป็นของไม่เหลือวิสัยรู้ได้เห็นได้ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้อย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่มีให้พวกเราให้กําลังใจตัวแบบนี้ เป็นของไม่เหลือววิสัยมันต้องได้รู้ได้เห็นแต่มันต้องเลยตายนิดหนึ่งถ้ายังมีอัตตาตัวตนอยู่นี่ไม่เห็นต้องเลยตายนี่แหละต้องสละตายไปเรื่อยๆต้องดูว่าความเก็บความปวดมันขนาดไหนคนที่เขาตายเนี่ยมันทุกกว่านี้ที่เราเก็บเราปวดอยู่เดียวเนี่ย ม, ม, มันยังไม่เซี่ยวนรกสัตว์นรกทั้งหลายเขาอยู่ในอเวกีนรกนะ่ะมันเจ็บปวดกว่านี้มันร้อนทุกทรมานอยู่แบบนี้ มันเทียบไปแบบนี้เลยอันนี้แหละวิธีสู้อย่าไปคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าใครว่าค่อยเป็นค่อยไปอา้าอยากไปทำงานทำการาต้องเล่าเรียนหาเงินหาทองส่งลูกส่งหลานให้เรียนจบนั่นจะได้เป็นทำงานแบบนั่นทำงานแบบนี้ในที่สุดจะรวยแค่ไหนก็ตายจะมีความรู้สามารถขนาดไหนก็ตายาจะมีความสลาด เป็นนักปกครองในระดับขนาดนั้นก็สร้างก็ตายหมดเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้แต่คำสอนของพระเจ้านี่สอนให้เรานี่หยุดตายได้ น, นี้คนที่กลัวตายเนี่ยคนกลัวตายเนี่ยเวลานั่งนั่งภาวนาไปเนี่ยมันเจ็บมันปวดก็กลัวตายเนี่ยอันนี้แหละคนนี้แหละจะได้ตายบ่อยๆคนที่กลัวตายนี่ถ้าเราสละตายแล้วเนี่ยเราจะหยุดตายได้ปะ่ะนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ใจของเรามันเบื่อหน่ายแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเมื่อใจของเราเมื่อจิตของเรามันเห็นการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดผืนแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยร่างกระดูกที่เรามาตายมาเกิดมาตายอยู่ในท้องผืนแผ่นดินนี่มันเห็นสิ่งเหล่านี้นะใจของเรามันจะเกิดความเบื่อหน่ายได้อันนี้ให้พวกเราที่ว่าพยายามที่ว่าให้พุโทโธอยู่กับใจแล้วก็พิจารณากายให้เป็นของเปลื่อยเน่า อันนี้มันอยู่ที่นี่ที่จะแล้วก็ให้อดทนให้ผ่านเวทนาให้มันได้ถ้าเราเอาปวดมันเกิดเนี่ยมันเหมือนกับมีตัว เ, เลนมันไต่าตามหน้าตามแขนตามตัวเดีวมัน เ, เดินเหมือนกับมีตัวเดินเลยละ่ะตามหน้าตามดานี่บอกตัวเองไว้ว่าของหลวงพ่อมันบอกตัวเองนะอา้าวในขณะนี้นอนมันกินแล้วนอนกําลังแทะกินอยู่ที่นี่ เพ่งเข้าไปให้หนอนกินศพของเราไปเลยนั่นไม่ต้องขยับเราคือศพศพขยับแขนไม่ได้ยกแขนไม่ได้ขยับขาออกไม่ได้ศพเนี่ยขยับตัวไม่ได้เราคือศพเนี่ยให้ให้เทียบไปแบบนี้เลยอันนี้หละท่านยิ้วว่าต้องทรมานแต่การทรมานมันก็เกิดปัญญาสอนตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยพยายามได้ว่าศรัทธาความเชื่อมันเกิดก่อนอันดับแรก ศรัทธาขันติอ่าบัด น, นี้ปัญญามันจะเกิดทีหลังอไอ้ตัวปัญญาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมามาสอนไปเรื่อยๆผ่านไปทีละเปาะทีละเปาะปมันผ่านไปแบบนั้นมันเกิดความรู้ความเห็นมันสนกุกบัดนี้หลวงพ่อจว่าทุกข์ก่อนสนุกทีหลังอ่าพวกเราส่วนมากนั่งภาวนาไปก็นั่งไปแล้วก็ พอมันเหมือนมีกับตัวเล่นมาไตตามตัวเนี่ยก็ไปจับซะไปลูบไปเหมือนจะไปไล่มันนั่นแหละไปกดให้มันออกไปเหมือนกับมันจะเดินเข้าจมูกก็มีนะบางตัวมันจะเข้าตาก็มีนะอ่าเหมือนกับเหมือนกับมีตัวจริงๆหล่ะแต่ที่จริงล่ะเป็นมารมารมันเกิดจากตัวเรานี่แหละมารมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ตัวของเรามันก็เหมือนกับจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวกระดูกจะแตก เหมือนนังเออนังเราจะเปือยแล้วหนังเราจะเลอะแล้วทํานองเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้อันนี้แหละหลวงตามหาบัวอ่าประวัติของหลวงตามหาบัวหรือว่าท่านเทศท่านนั่งภาวนานี่ข้ามคืนอ่านั่งจากหัวคำ่ำอ่านกอ่านกล่องอ่าจึงสว่างอ่าถ้านกแซลเนี่ยไม่ล่องนี่ท่านไม่ยอมเลือนตาท่านไม่ยอม ไม่ยอยลุกนั่นให้ได้ยินเสียงนกร้องก่อนจึงจะลุกให้นกกลางวันร้องนะนกเข้าร้องเนี่ยก็เป็นกลางคืนนั่นแหละสู้กับทุกขเวทนานั่นแหละท่านบอกว่าถ้าเรานั่งแต่ละวันเนี่ยสู้กับทุกนเนี่ยเราก็ต้องได้กำไรท่านว่าอัานนี้พวกเราก็อย่าไปคิดเอาเปรียบท่านาท่านที่ได้รู้ได้เห็นทำเนี่ยไม่ใช่ท่นว่าค่อยเป็นค่อยไปเลยตาย สละตายสละตายกันทักทุกองค์รูบาอาจารย์สละตายกันทุกองค์ไม่ใช่ว่าจะเอาแบบที่ว่านั่งแป๊บเดียวค่อยเป็นค่อยไปอนอนก่อนเธอไปกินก่อนเธอะหิืน้ามก็ไปกินน้าําหิือข้าวก็ไปกินข้าวเนี่ยมันไม่ได้ถ้าอดข้าวเนี่ยอดข้าวเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วก็มันเหนื่อยไอ้ร่างกายของเราก็เย็นเข้าเหมือนกับมันจะตายจริงๆนะ อันนี้ลหละสมาธิมันก็แน่นแฟนเข้าไปเรื่อยแต่เหนื่อยกายของเรามันเหนื่อยแต่กำลังใจมันเยอะบานเนี่ยกำไลใจมันมันดีอันนี้การอดข้าวนี่ดีที่สุดอย่าไปอดนอนนะถ้าอดนอนเนี่ยมันมันเบอร์หลวงพ่อว่าของหลวงพ่อไม่ถูกอดนอนเนี่ยถ้าอดนอนเนี่ยเป็นเดินจมกมเนี่ยลืนตาอยู่นะชนต้นไม้เลยเหมือนกับเขาขับรถเนี่ย เขาขับรถนานๆมันเบอร์ไปหลับในไปเลยเหมือนกันภาวนาถ้าเบอร์แล้วนี่ไม่ดีถ้ามันง่วงนอนก็นอนก่อนแต่ถ้ามันทุกขึ้นมาที่ขาที่สะโพกของเรานี่ดูให้ดูทุก์ที่ไหนมันเจ็บเนี่ยเนกเข้าไปเลยอย่าไปอย่าไปถอนให้มันเนกเข้าไปเลยเอาตายเลยตายเลยถ้าใจของเราเนี่ยมันหมดความอะไรมันไม่ยึดมันไม่ยึดว่าตัวเรา มันเป็นเป็นดินนะมันกำหนดกายของตัวเองลงเป็นดินลงเป็นดินลงเป็นดินมันปฏิเสธตัวเองได้มันก็ว่างเลยมเนใจของเรามันจึงวางถ้าเราไม่ฝึกหัดตัวนี้ไม่เดินปัญญาเนี่ยมันวางยากฝึกให้มันที่ว่าถึงพิกถึงขิงมันนั่นแหละความร้อนความเจ็บความปวดเนี่ยจะเป็นธรรมะมันก็เทียบละเราไปตกอเวกีนรกเนี่ยเอามันร้อนกว่านี้อีก อ่ร้อนอยู่เดียวนี่ไม่ได้ไม่ได้เสี่ยวนะโลกหรอกอา้าวร่อนกว่านี่มีอีกไหมอา้ามากูจะดูนั่นมันเอาแบบนี้เลยมันไม่ยอมถอยอา่ามันเรียกมาเลยมาเลยมันจะทุกข์ขนาดไหนคนที่เขาตายเขาเจ็บกว่านี่สัตว์นรกทั้งหลายอยู่ในเอเวกีมันทุกกว่านี้ร่อนกว่านี่เอาแบบนี้อันนี้แหละให้ญาติโยมให้อดทนถ้าเราไม่อดทนนี่ไม่มีโอกาสจะได้ลูกอันนี้แหละความอดทน เป็นตะบะอย่างยิ่งท่านว่าขั้นติปรมังตะโปตีติข้าความอดกั้นคือความอ ด, อดทนเนี่ยเป็นตบะแผดเผาเนี่ยให้ให้เรามีความตัวนี้พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ท่านท่านไม่ได้บอกว่าคนในสมัยก่อนในครั้งพุทธกาลคนเหล่านั้นได้สร้างบา ร, รมีมามากแล้วอพอมาฟังพระพุทธเจ้าแนะแนะวิธีให้ แป๊บเดียวก็สาเร็จเป็นพระลาหน์เป็นพระโสดาบันพระักสกิทาคาพระอนาคามีก็พระพุทธเจ้าท่านมีญาณท่านมีความรู้ท่านมีญาณ อ, อ่อย่างรู้ว่าคนนี้มันสร้างบา ร, รมีมาแบบนี้อุปนิสัยเก่าของเขาเหมือนกับจับวางนะมันเป็นแบบนั้นอันนี้แหละก็พวกเราก็เกิดมาในสมัยนี้ก็ไม่มีประเภทประเภทนั้น ถ้าเราไปเจอครูบาอาจารย์เมตตาท่านก็จักสงเคะห์บางทีนะองค์ที่ท่านรู้รู้จิตใจของเรานึกคิดเนี่ยก็จะมีแบบหลวงปูบนนงป่บุญจันทร์เนี่ยหลวงปู่บุญจันทร์หลวงพ่อเดินบินธบาะอยู่ในบ้านชายวานามันห่างวัดอยู่นะแต่ท่านรู้หมดไปคิดเอาใครท่านก็รู้มันคิดแบบไหนท่านก็รู้นั่นหลวงปู่บุญจันทร์ท่านนั่งอยู่วัด ไม่ได้นั่งภาวนาหลับตาหรอกอเราไม่สีฟันเราไม่สีฟันตอนเช้ารอจะออกบินทบาทให้สายบ้านไาวานมาถึงก่อนท่านจึงจะออกไปบิณทบาทบ้านแม่สีสมัยนั้น อ, อันนี้แหละแต่ท่านก็รู้หมดหลวงพ่อนี่ถามเลยหลวงพ่อในช่วงหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่บุญจันทร์นี่ยกาบถามท่านว่าพรโอกาสหลวงปู่หลวงปู่ทาไมจึงรู้จิต คน ค, คิดนึกเนี่ยท่านว่าจิตของท่านมันใสมันไม่กับเพื่อมเหมือนกับเราไปสอ่สองในบอ่อน้ำเนี่ยน้ํามันไม่กับเพื่อมมันก็มองเห็นเงาของตัวเองถ้าเราผ่านไปดูกระจกเหมือนกับกระจกอ่ะมันไม่กับเพื่อมมันไม่มีสิ่งใดสะเทือนเนี่ยไม่มีลมพัดกระจกเนี่ยเราก็มองเห็นกระจกได้ชัด จิตของท่านมันไม่กระเรื่องมันใสแบบกระจกท่านว่าแบบนี้หลวงพ่อถามเลยนะหลวงพ่ อ, อเวลาเกิดราคะตัณหาเกิดขึ้นมามันเกิดความไม่สารวมเกิดขึ้นในใจของหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ถามเนี่ยหลวงพ่อบอกเลยนะอ่าเป็นยังไงภาวนาถามขอโอกาสข้าน้อยมือเช้านี่นั่งสันจังหันเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงแต่เริ่มสันเข้า จนสันข้าวเสร็จมันก็ยังไม่จบไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบังกระโปรงร้องอยู่นั่นแหละร้องจบแล้วก็เอาใหม่อีกเขาสันข้าวจนจบหลงพ่อก็ไม่อยู่ก็กราบเรียนลงปู่เลยล ง, ลงพ่อเป็นแบบนั้นน ะ, ะความดื้อดึงใจมันน่ะมันชอบแบบนั้นมันชอบสนุกล่าเริงมันชอบแบบนั้นใจของเรามันติดที่ว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันติดอยู่ในกามกินเกียร ไอ้พวกเรามันติดอยู่ในกามกินเกียรติมันก็เป็นวัตถุทุกวัตถวณที่พวกเราเล่ล่อนเวียนไหวตายเกิดมานี่คนละหลายล้านเที่ยวเนี่ยให้คิดเอาอันนี้ลหละชาตินี่เราได้เป็นคนแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมก็เหลืออยู่อีกสองพันสองพันสามร้อยสองพันสามร้อยสองพันอยู่แบบนี้นะมันไม่มันก็เหลือหลายปีอยู่นะเป็น2อ0 0กว่าปีอยู่นะ าศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมให้พวกเราเล่งทําความเพียรเอาอันนี้แหละเทพของหลวงตาบวัวหรือว่าหลวงปู่ซาหลวงปู่แววเนี่ยหลวงปู่ซาเนี่ยเป็นเทศปัญญานะหลวงพ่อเปิดฟังฟังหลวงปู่ซานี่ยแหละภาษา ภ, าภาคอีสานเนี่ยท่านท่านพูดเป็นแบบแบบว่าเป็นปัญญาทั้งนั้นแหละท่านภาคภาษ า, าลาวก็มีภาษาไทยก็มีของหลวงปู่ซา ถ้าเราเรากดฟังอยู่ในอ น, นั้ น, นเราฟังเป็นเป็นปัญญาเป็นสอนลูกศิษย์ท่านสอนลูกศิษย์สอนพระท่านเป็นปัญญ า, าเราเร า, อาของหลวงตาบัวนี่ผู้สติปัญญาไม่มีนี่เราเราธรรมะของเราเรายังไม่มีภูมิทําถึงท่านส่วนมากนะฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องนะแต่หลวงปู่ชานี่เป็นพื้ น, นเลย เป็นธรรมะพื้นๆแต่เราเนี่ยผู้ที่อย่างที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นคนปัญญาหยากๆนะแต่ฟังหลวงหลวงปู่ชานี่เข้าใจเข้าใจง่ายกว่าหลวงตาบัวแต่หลวงพ่อก็ฟังหลวงตาบัวนั่นแหละเข้าใจเข้าใจจากหลวงตาบัวนั่นแหละพอส2ยี่บสองที่ว่านในช่วงเดือนพฤษภาท้ายเดือนพฤษภาประมาณวันที่30หรือสประมาณนี้แหละพฤษภานี่แหละ อ่อานที่ว่าได้ไปบ้านตาดได้ไปบ้านตาดท่านอาจารย์มหาบัวก็เทศให้ฟังกุฏิสาลาเขาไม่ได้ไม่เป็นต้นมาทํานะเขาตัดลงเขาตีโผลออกเขาเรียเป็นกระดานพื้นกระดานฝากวรไนซ่างเขาจะมาทํำความสะอาดเขามาวัดมาประกอบกันเข้ามันง่ายเมื่อไร่ข้าน้อยพอแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์หยุดเทศพูดขึ้นมาของหลวงพ่ออันนี้แหละมันว่าเหมือนกับที่ว่ามันแปลไปเลยคําว่าตัดเหมือนกับเราได้ออกบวช คำว่าตีโผลกับเงินกับหลวงปู่บุญจันทร์ตีโผล่หลวงพ่อกับจากบินทับาทนะอันนั้นตีโผลครูบาอาจารย์ตีโผลอันนี้หลวงพ่อก็ฟังหลวงท่านอาจารย์มาบัวเทศให้สานาทีสองหรือสามนาทีเนี่ยขน้อยพอแล้วอ่ะมันเป็นแจกเป็นแกงหม้อกิ๋วอ่ะมันคิดแล้วมันก็เป็นแกงหม้อกิ๋วเทศแป๊บเดียวมันก็พอถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็กล้าเลยวันกล้าสละตาย ถ้าเราได้เกิดแบบนั้นมันสละตายใส่เลยพ่อหลวงตามหาบัวท่านรู้ว่าแต่ชาติก่อนของหลวงพ่อเนี่ยเคยเกิดมาเคยสร้างบุญอะไรมาบ้างท่านรู้หมดเนี่ยตัวเนี้ยสิ่งสําคัญครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้ภายในใจของท่านภายในจิตของท่านมีพลังจิตพลังธรรมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่วุญจันทร์เนี่ยท่านมีแบบนี้หลวงพ่อก็เลยสะดุด าจากหลวงปู่บุญจันทร์ไปเจอหลวงตาบัวไปเจอหลวงปู่ขาวไปเจอหลวงปู่อ่อนอา้าวตายเป็นตายแต่วันนี้ต่อไปเราไม่ต้องสันเข้าจะ ก, กี่วันก็จ่างให้มันตายไปเลยเนี่ยมันขึ้นเลยนะอันนี้แหละศรัทธามันเกิดจากนี้อันนี้แหละพวกเราก็จะให้พยายามรักษาสติของตัวเองไปเรื่อยๆให้รักษาที่ว่ากาหนดเข้ามาดูกายของเราญาติของพวกเราเคยล้มตายมาแล้ว เคยไปดูญาติไปเยี่ยมญาติที่เขาเป็นโรคเก้าโรคเบาหวานโรคเบาหวานเปื่อยเนี่ยให้เราไปดูแผลเขาไปดูแผลคนที่เขาเป็นโรคเบาหวานแบบนี้แล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเราเอโรคเกา้าเบาหวานโรคมะเร็งตับมะเร็งปอดมันเกิดอยู่ที่กายของเราเนี่แหละเราก็ยึดถือนะผลกรรมของเราแต่ชาติก่อนนี่แหละที่มันดนบันดาลมาเกิดเป็นลกูโลกโรคเหล่านี้อันนี้กรรมที่เรา ทรมานสัตว์เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราทรมานสัตว์มันก็บันดาลเขาก็เอาคืนเวลาเขาาคืนเขาก็มาทําให้เราเนี่เจ็บท้องปวดหัวสารพัดปวดหูปวดตาเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็เป็นผลกรรมที่เราทรมานสัตว์ไว้ในชาติปางก่อนเพราะเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยคนละหลายแสนเที่ยวหลวงพ่อเห็นอดีตชาติของตัวเองแบบนั้นที่เป็นสัตว์เนี่ยหลายล้านเที่ยวมันเห็นแบบนั้น เรามาท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้แหละให้พวกเราน้อมเข้ามาดูตัวเองแล้วก็สอนตัวเองให้มันเป็นปัจจุบันอย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่เออนอนก่อนเถอะอย่าไปเอาแบบนั้นเอาแบบนี้เนี่ยมันตามใจของตัวเองหลวงพ่อไม่เชื่อใจของตัวเองน ะ, ะถ้าปฏิบัติตามใจของเราเนี่ไม่มีโอกาสจะได้ลู้ได้เห็นสัจธรรมแต่ถ้าเราฝืนเนี่ยแน่นอนถ้าเราฝืน อย่าไปเชื่อความมักง่ายอใจของเราเนี่ยมันว่าเออไปกินข้าวก่อนนะไปเอานั่นก่อนนะไปเอานี่ก่อนนะมันเอาอกเอาใจกันอยู่แบบนั้น อ, อมัน อ, อ่ตะล่อมมันเป็นอันเดียวกับใจของเราในที่สุดหลวงพ่อก็สังเกตว่าเออกิเลสตัณหาเนี่ยมันคือใจเราเ อ, อเราไม่ต้องเชื่อมัน อ, อ่สังเกตให้สังเกตดูอารมณ์ของตัวเองมันมันรักดีนะ มันไม่ยอมทําตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรท่านอดข้าวกี่วันละ่ะสี่สิบเาวันเวลาท่านได้ตาสรูแล้วท่านก็อดอีกเจสั ป, ปดาห์ได้ตาสรูแล้วเนี่ยยืนยืนเจวันเดินจงกรม7วันนั่งเจ็ดวันนั่งเพ่งต้นสีมหาโพยืนเพ่งต้นมาสีสีมหาโพ ไม่ยอมกับพิบตาเนี่ยเจดวันถ้าเราเราทำตาแตกนะถ้าเราไปไปลืนไม่ไหวหรอกอ่าลืนตาแบบนั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้อันนี้แหละเวลาอดข้าวทำความภาคความเพียนก็ทาเอาจนอ่าสลบสลด์ไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าอันนี้ให้พวกเราคิดดูว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บุกเบิกเบิกเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเรา ท่านถางป่าถางโดงแล้วก็ขุดต้นไม้ต้นอะไรขึ้นรากไม้รากอะไรก่อนที่จะมาทําสวนทําไร่ทําไร่ทํานาก่อนที่จะเอาข้าวเนี่ยมันเป็นรวงออกมาแล้วเอาข้าวี่ไปตาไปสีเอามามาม า, มานึ่งมาหุงสุกแล้วเอาใส่หม้อไว้แล้วเอาใส่จานให้เอากินซะหลวงพ่อคิดแบบนี้เลย พระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับยกยานข้าให้เราทุลักทุเลมาจากถางป่าถางพงถางดงสารพัดก่อนที่จะมันจ ะ, ะโล่งออกมาเป็นที่โล่ก่อนจะมาเป็นไรเป็นนาก่อนจะหาพันข้าวมาปลูกก่อนจะเอาทําให้มันสุกเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าส่วนพวกเราทุกวันนี่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วหลวงตามหาบัวนี่แหละเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามา เปิดเผยไว้แล้วหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ศรีหลวงปูงปงปงป่ที่ท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่จันเรียนแบบนี้ท่านก็เป็นที่ว่าบอกเปิดเผยไว้หมดแล้วสําหรับเราเนี่เหมือนกับท่านจะเอาช้อนตักตักข้าวยื่นเข้าปากให้เราเอาเขี้ยวกืนลงอาจจะมีความอีมเหมือนกับแบบนี้เลยหลวงพ่ออุ ป, ปมา เหมือนกับพุทธเจ้านี่สละเป็นสละตายสลบสลัยเหมือนมาที่ว่าทุมเทกายใจของพระองค์นั่นก่อนจะได้เป็นพุทธเจ้ามาสอนโลกลำบากมากที่สุดเพราะสมัยนั้นยังไม่มีคนนับถือพระพุทธศาสนาเข็นคนโกนผมเนี่ยเป็นคนกะละกีนีเป็นหน้ารังเกียจของบุคคลต่างๆแต่พระองค์ก็บินทบาดมาสันแล้วก็อดทาความเพียรไปนานๆจะได้ชันที ทำความเบียนอยู่นั่นทำผิดๆอยู่หกปีให้พวกเราคิดเอาอันนี้คำสอนของที่เจ้านี่มีแล้วเหมือนกับจะเอาเอาซ้อนตักตักข้าวตางอาหารเนี่ยยื่นเข้าปากให้เราเลยเราจะเอาไหมเราจะรับเอาไหมเนี่ยแค่นั้นคำสั่งสอนที่ว่าบอกครบหมดแล้วเพียงแต่พวกเราเนี่ไม่เอาไ ม, ไม่ไม่ทำตามท่านแค่นั้นให้เราคิดเอาแบบนี้ อันนี้ลหละอ้าวก็สมควรเจเวลาของพวกท่านทั้งหลายจงแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ที่ว่ามีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รู้ทำเห็นทำทุกท่านทุกคนเทิน